จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสมทนาธรรมถามสอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาเราก็จะไปที่เด็กๆ ก, ก่อนเช่นเคยพี่โตกเกียวน้องนกคุณ อ่าแล้วมันควร น, นะว่ากับพระอาจารย์กันดุครั oh. ครับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์บอกเลยว่าถ้าไม่รีบทำสิ่งนั้นสิง้จะเกิดขึ้นอ๋อพระอาจารย์คะเขามีคําถามค่ะอืมมามาค่ะเขาถามว่าทําไมเวลาเราทําอะไรไปแล้วเราจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาคะกแห่งกรรมบองเขา เป็นกฎแห่งกรรมพระอาจารย์ด้วคืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะมัเหมือนตีเปิงปองอะ่ะตีเปิงปองสายข้างฟ้ามันก็จะกลับมาหาเราไอ้ลูกบอลพระอาจารย์บอกเวลาน้องคุณเคลี้งลูกบอลไปลูกบอลก็จะกลับมาหานุ่มคุณถ้าน้าคุณตีใครเขาก็จะมาตีหนูแบบนี้นะคะ่ะบว่เลยเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าเป็นกฎแห่งกรรมโยนลูกบอลได้แต่ ต้อง ไ, ออไม่ทำลายคนอื่นใช่ไหมอ่าทำไมทํำลายคนอื่นทำไมทํำลายคนอื่นเขาก็ไม่ยอมทำ้ายเราอ่เข้าใจนะเข้าใจไหมครับเข้าใจมีอะไรจะบอกพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิให้พระอาจารย์ดูอ่ะอ่านั่งสักสองนาทีสองวินาทีสองวินาทีนับเท่าไหร่อ่านับหน่งถึงสิบ โอ้เจ๋งมากเว้ยนั่งได้ลงสิบนาทีสิบวนาทีนั่งบ่อยๆนะนั่งทุกคืนก่อนนอนเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจครับเมื่อคือนกันเมื่อคือนกันนั่งถึงยี่สิบเลยค่ะพระอาจารย์บอกว่าจะจ๋าบอกพระอาจารย์ด้วยนะครับพรุ่งนี้อ่านี่พยายามสอนเขาไปนั่งกับเขาไปเป็นเพื่อนเขา เขาทําตามเราแหะถ้าเราทำเขาก็ทําตามเราเราพูดภาษาอะไรเขาก็พูดตามเราใช่ไหะเรากินแล้วกินอาหารแบบไห น, นก็กินตามเราค่ะถ้าเรานั่งสมาธิเขาก็านั่งสมาธิกับเราดีใจมากเลยค่ะพระอาจารย์เดือนนี้เขาลุกขึ้นมาหนูขอสวดมนต์ด้วยหนูขอนั่งสมาธิด้วยปกติหนูจะนั่งดึกๆไงคะบางทีเขาตื่นขึ้นมาเขาขอนั่งด้วยมานั่งตักอ่าดี ทำอะไรก็ชวนเาทำด้วยถ้าเป็นสิ่งที่ดีเขายะได้ติดไม่สายไปค่ะพระอาจารย์ทุกคืนเขาเขาเขาเขาเวลาหนูสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิเสร็จหนูก็จะบอกว่าหนูอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเขาก็จะพูดเองขอให้หนูมีสติสมาธิปัญญาเจ้าจะบอกว่ะอาจารย์ด้วยนะอืมค่ะอ่าดีได้รับคําแนะนําจากพระอาจารย์ชี้ทางดีใจมากเลยค่ะ จิตใจสงบแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงลูกด้วยขอบพระคุณในเมตตาอของพระอาจารย์ค่ะไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราไปปฏิบัติได้แล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญมันเย็นกายเย็นใจมากเลยค่ะพระอาจารย์คุมของจิตใจอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะมาทำร้ายจิตใจเราได้ ค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะหนูมีคําถามเมื่อวานนี้ที่พระอาจารย์เทศเรื่องบุญคุณของพ่อแม่นะคะอืที่พระอาจารย์บอกว่าแยกเป็นสองเรื่องคืออในกรณีณที่พ่ อ, อเป็นบุญคุณอันหนึ่งแล้วก็เป็นธรรมชาติของอคนมนุษย์ใช่ไหมคะใช่ใช่มนุษย์เราบางทีก็มีนอกกฎแล้วมีมีความคิดนึกคิดที่อาจจะสูงก็มีต่ำก็มี คนอช่หไ ห, ไ ห, ไหแต่เรื่องบุญคุณก็คือเรื่องที่เ้าให้เรามาให้เรามาเกิดให้ร่างกายเรามานี่มันเราลบลเอาความไม่ดีของเขามาลบล้างไม่ได้ออืคือเราก็ต้องแยกแยกแยกแยกแยะถึงแม้ว่าเราเกิดมาแล้วเขาอา จ, จะไม่เลี้ยงเราดีรืแล้อทุบตีเราบ้างอะไรอย่างนี้ยดี๋ยวันนี้เป็นเรื่องของอีกเรื่องของ ของความเป็นมนุษย์ของเขาเขาเป็นอย่างนี้ค่เราถือว่าเป็นกรรมของเราที่เราต้องมา อ, มอยู่กับเขาแต่เ้าก็มีบุญคุณกับเรา ม, มีบุญคุณกับเรา<ม>เขาให้ได้ทำลายเราค่ะพระอาจารย์ก็คือถ้าสมมุติว่าเราทำลำทาดีกับเขาแล้วแล้วเขายังโกรธเราอยู่หรือว่า เราไม่เข้าใจเราเราก็ทําได้แค่นิ่งเฉยแล้วก็อเบกคขาเฉยไปใช่ไหมคะทางทางคิดเรา ไ, ไม่คิดอะไรก็ไม่ควรจะไปคิดทำร้ายเขาเลยคิดไปว่าเขาค่ะอย่างที่บอกมันเป็นอนาชญากรรมนะครับไปฆ่าเขาเนี่ยกรรมหนักมากคือถ้าเขาไม่ได้รับชูนจะจกักรจะเอาดิฉันแต่ที่จะจักให้ไปแล้วอยู่บนโต๊ะครับลูก ขอขอโทษค่ะพระอาจารย์พอดีงงเงี้ยค่ะงั้นเท่านี้ก่อนแล้ว ก, กันค่ะพระอาจารย์เกรงใจท่านอื่นค่ะโอเคค่ ะ, อนนะขอบคุณค่ะพระอาจารย์รอาายไปที่ญาติกับจามณ์เมื่อกี้เข้ามาแล้วออกไปนะกลับเข้ามานะกลางนมสัส ก, การพระอาจารย์ครับอ่ามีอะไรหลงการบ้านใช่ค่ะ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 เราจะละเว้นเรื่องต่างๆคือว่าเราจะต้องพระภาพจากของรักของ mm. จเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของรนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พื่งองาัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป<ๆ>เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป เราทั้งหลายคนไพิจรณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับขังผืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเจ้าเยื่อในสมองศีรษะ น้ำดีน้ำเสฉละน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาลน้ำมันข้นน้ำเงื่อนน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเฉล็ด น้ำดีเยื่องย่ในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส่ใหญ่วอดไตผังผืดตับหัวใจน้ำเยื่ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขน้นเราอยู่ในเราอยู่ในร่างกาย่หมวะไม่อยู่ค่าไมอยู่ แน่ใจหรือเปล่าแน่ใจค่ะแล้วแล้วสรุปว่าร่างกายไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแล้วร่างกายเป็นอะไรทําไมเราต้องไปเดือนร้อนด้วยครับ เ, เดีือดร้อนม่นแปลว่าร่างกายเป็นอะไรก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมนะอครับใช่ไหมนะเราเป็นเราเป็นอีกคนหนึ่งเราเป็นมนุษย์น้องหน รเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรแต่งทางรับอร่างกายเอามีตาหูจมูกเป็นกายที่รับรูปเสียงเกียลติมาให้กับเรา ร, ร่างกายเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งเหมือนกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปมีมีมีมีกล้องใช่ไหมสําหรับถ่ายภาพใช่ไหมอ๋อใช่ครับ มีไมโครโฟนทํหน้ารับเสียงใช่ไหมใช่ค่ะร่างกายก็มีตาไม่เหมือนกล้องนะครับหูก็เป็ น, นเหมือนไมโครโฟนรับเสียงมันก็ส่งมาให้เราเครับเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเนระอยู่อีกที่หนึง่งอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายมันไม่มาทำํำทำลายเราได้เข้าใจไหมเข้าใจครับ อ, อ เราต้องเฉยๆล้วอย่าเป็นหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายถ้าไม่หลงคิดแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าหลงคิดว่าเป็นเราเราก็จะเดือด้อนขึ้นมาครับอาาจอ่นแยกตัวเราออกจากร่างกายอยีกเรื่อยๆนะครับเ่างกายเป็นอะไรก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจมันเป็นเรื่องของร่างกายมันไม่ใช่เรื่องของเรา พนะยายามคิดด้วยอย่างนี้บ่อยๆแล้วเราจะได้ยอมรับว่าร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายได้โดยที่เราไม่ ร, มรู้เราไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็ บ, ไ ม, ไ, จบไม่ได้ตายไปกับร่างกายครแล้วก็ฝึกเร่งสมาธิเราแยกอีกทีหนึง่ง อนั่งสมาธิ<อ>เราก็จะมีแรงแยกออกจากร่างกายได้แยกด้วยความคิดอย่างเดียวไม่พอต้องแยกด้วยด้วยกําลังจิตด้วยครับค่ะอ่าที่นั่งสมาธิเพื่อเราจะได้มีกําลังแยกือแยกตัวเราออกจากร่างกายได้ครับครับอ่อาเวลานั้งกายเป็นอะเราก็เฉยเฉยได้ครับค<อ>่ะถ้าเรายังไม่มีสมาธินี่ เราจะไม่เฉยอิเลียร์ของเรามันจะบอกให้เราไปตื่นเต้นตกใจกับร่างกายว่บครับงั้นต้องนั่งสมาธิทุกวันนะอ่าโอเคมีอะไรไหมวันเสาร์นี้จะไปจะไปให้จะไปเลี้ยงบุกท้ากับพี่ๆที่โรงเรียนผู้รู้ค่ะอ่าสาธุเนเราแบ่งปันอยูนะเรามีท้องกินอยู่บ่อยๆ เขาเป็เหมือนคนไม่ก็มีเงินมีทองโรงเรียนก็ไม่มีเงินที่จะเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับเขานอกจากนอกจากอาหารพื้นๆ พ, พอที่จะอยู่กินเพื่ อ, อเพื่อไม่ให้อิ่วเท่านั้นแตอาหารพิเศษอย่างแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าไอติมนี่โรงเรียนก็ไม่มีเลี้ยงให้เราต้องเอาเอาพิเศษไปหน่อยนะยาวของเดิมๆไปให้เขากินนะ ด้วยทั้งทีเราต้องอย่าไปเสียดายกันนที่ว่าทำดีทาทานให้เขามีความสุขก็เราจะรู้สึกมีความสุขถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกดีใจใช่ไหมใช่ค่ะเนี่กยเลยก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยการสวดนะแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําำทําให้ผู้อื่มีความสุขเนี่ย ขอให้ขให้เขามีความสุขคียตาตานังปาริหะรันตุกอให้เขามีความสุขรนะครับเราต้องทําให้เขามีความสุขเเช่นวันนี้คริสต์มาสใช่ไหมแซนด์คลอสนี่ใครๆก็ชอบใช่ไหมใช่ครับอ่านั่นแหละเพาแซนด์คลอสมี่ความเมตตาใช่ไหมใช่ครับอ่าเดี๋ยวเกินที่ยืดสีก็ค่อยค่อยนอนเฝ้าอยู่ลยใช่ค่ะจ๊ะ <laughs> ยว เ, เคยเห็นแซนด์คลสาสมั้งรึยัง ไม่เคยไคยรอไม่ม่องกัในบ้านนาะฮ่าฮ่าอ่าฮ่าง่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าค่าฮ่าฮ่าค่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ราฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮของเางงาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮคาฮ่ามัาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่มฮ่าฮาฮาฮ่าาฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่่่นะ่่่่่าฮ่าฮ่าฮ พ่อแม่เป็นสันตะก้อของเราน่าอ่าเข้าใจนะเข้าใจครับอ่าวันวันเสาร์ที่จะถึงนี่แหละใช่ครับอดาตอนนี้ก็มีญาติโยมท่านก็ติดต่อมาเหมือนกันวันหยากจะรับไปเลี้ยงอาหารให้กับเด็กที่โรงเรงนอืช่วงช่วงปีใหม่นะช่วงช่วงเดือนธันวาเนี่ก็เป็นช่วงมีการเลี้ยงฉลองกันอืครับ เ, เ, รเราเราเียนฉลองแล้วเราก็คิดถึงคนที่คนอื่นที่ก็ไม่มีมากนะครับครับถาทุจ่ะหมดแล้ว น, น, นะไม่มีอะไรนะไม่มีนะครับ อ, อไปที่ตะวันกรบอาบครับทุกคนพระจารย์ครับโอเคตะวันกร <c oughs> าบพมสการพระจางครับอา่าไปยังไงบ้างสอนคลาสนานยังมั่ครับ ยังไม่มาเนอะยังไม่มาทุกปีป่ะเออมาทุกปีครับมาทุกปีนะวันนี้ก็มีหม่อยกอถามครับเออมาไหเออคารถามสมาติเออเริมีมาตั้งแต่เมื่อไรครับอมีตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเองเรื่อันนี้เป็นเรื่องของผคนมนุษย์เหล่าที่บางคนมีความรู้ความเจริญ สามารถรู้วิธีนั่งสมาธิเองได้แล้วเราะว่าถ่ายทอดกันมาทุกยุคทุกสมัยอันนี้มามีตลอดเพราะโลกเรนที่มีสามภพใช่ไหมมีกามภพมีรูปภพมีอา ร, ปปรมณ์ภปปพเนี่ยพวที่เสืมรูปเสียงกิ่นรสก็เรียกว่ากามก็ต้องไปอยู่ที่โลกกา ม, มาพากภพเช่นมนุษย์พวกสัตว์เดรัจฉานพวกเทวดานี้อยู่ในกามภพหาความสุขอย่างรูปเสียงกิ่นรส แต่พวกที่หาความสุขจากการเข้าสมาธิเข้าสู่รูปฌานก็จะไปอยู่รูปภพอยู่อีกภพหนึ่งพวกนี้เขาจะหาความสุขจากการเข้าสมาธิในร ะ, ะดับรูปฌานอีกพวกหนึ่งสามารถเข้าอารูปฌานได้ก็ไปอยู่อีกภพหนึ่งเป็นอรูปภพนะภพงเราเลยมีสามภพเรียกว่าตายภพมีมาตั้งเดินอยู่แล้วมีตลอดอืม เพียงแต่ว่าไม่มีใครรู้จักนิพพานที่มีอยู่นอกใายภพมีนานๆจะมีพภพตเจ้ามาคนพบคนพบนิพพานอพอไปอยู่นิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในปลายภพในภพนักในภพทั้งสามพวกเราถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานเนี่ยก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ ตายแล้วก็ลองกลับมาเกิดใหม่มาเสกกางมาเสกรูก ป, ประชานหรือว่าเสกมะลุประชานใหม่เข้า mm hmm. ใจไหมเข้าใจครับอืตอนที่หนูอยู่อยู่พบไหนอ um, อยู่ในเอออการมาพบการมาพบเลือกลูกปมาพบเลือลกรูปมาพบอ e v e l สองก็เลยคัน ทีมว่าสองรูปรพบเลยสมาชิกหรอเข้าสมาชิกได้หรือคนเข้าสมาชิกได้ไม่เล่นเกมนะถ้าเล่นเกมดูหนังดูวิดีโอนี่ ย, ยังอยู่กามาพบอยู่นะแต่ถุกคงก็ไม่เล่นเกมแล้วครับแล้วยังดูอะไรหรือเปล่าดูหนังดูละครฟังเพลงอยู่มั้ยขอดูอันนี้ก็ยังนั่นแหละยังเป็นการมาพบอยู่นะอ่ Lang อ ยังยังไปไม่เสียงรูปภพหรอกแต่ถ้านั่งสมาธิแล้วไปบวชอย่างเราเนี่ยต่อไปก็ไปอยู่รูปภพได้ถ้าจะอยู่ในรูปภพอยู่ขั้นสองนี่ต้อ ง, ต, องต้องถึงศีลแปดให้ได้ถึงศีลแปดได้ไห ม, อมเออได้ครับแน่ใจเนละยครับแน่ใจยินห็ืเปล่าีินข้าเย็นหรือเปล่า <laughs> <laughs> ถ้ากินข้าวเย็นดูหนังฟังเพลงนี่ยังยังยังถือว่าไม่เละยังอยู่รูปภพไม่ได้ยังอยู่การรับภพอยูอกอ่ก็พยายามทำดูถ้าอยากจะอยู่คันสอ ง, องนั่งสมาธิเรื่อยๆอย่าไปนั่งดูหนังฟังเพลงอย่าไปกินขนมนมเนย อ, อย่างต่กินมื้อเดียวกินหนเดียวแล้วกินไม่กินเกินเที่ยงวันไปแล้ว <Yeah. S 2> mm hmm. เข้าใจไหมเข้าใจครับโอเคแล้วมีอะไรไหมคุณแม่ถ้า mm hmm. พระอาจารย์ก็เนี่ยค่ะคือเมื่อวานเนี้ยคุณมาโกเขาก็อยู่ดี mm hmm. เขาก็มาถามโยมค่ะว่าอยากจะไปเมืองไทยเมื่อไหร่นะคะพระอาจารยมก็เฮ hey, ปกติโยมจะเป็นคนจัดแจงใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งเนี้ยเ mm hmm. ขามาถาม mm hmm. เขาเป็นคนตัวตั้งตัวตีอยากจะกับไท mm hmm. นะคะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยถามเขาว่า อคุณมีความประสงค์อะไรเขาก็อยากจะไปบวชอีกนะคะพระอาจารย์อค่ะนี่ไอ้ไมค์ก็ตะวันแฟนค่ะคุณมาโก้ค่ะมาโก้ก็คราวท่แก็มาบวชคร้งที่แล้วไปค่ะพระอาจารย์ไปไปแค่สี่วันนะคะพระอาจารย์แล้วก็ครูไปเมืองไทยครั้งที่แล้วยมก็ไม่ได้พาเขาเที่ยวนะคะก็คือว่าไปเยี่ยมญาติแล้วก็ไปบวชแค่เนี้เองอะค่ะพระอาจารย์เออดก็เลยชอบเขาก็ชอบอะค่ะพะอาจารย์ค่ะ ต่อไปอาจจะเป็นเป็นอันซีนไทยแลนด์ต่อไปว่าหลังอาจจะไปบวชนึ่สิ้นแปดทีเขาเขาแทนจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็มีมีมาอยู่เรื่อยๆนี่ยคนต่างชาติก็มามาหาที่ปฏิบตออตัติธรรมกันเยอะแยะติดต่อมาที่วัดแล้วก็แล้วา ก, ก็ไปตามวัดต่างๆที่เขารู้จักได้ยินข่าวค่ะอืมแต่ยังไม่เคยพาไปพัทยานะคะพระอาจารย์ ถ้าไปอาจจะติดใจก็ได้ค่ะจะไม่ไม่ปวดแล้วก็ได้หรออาจารย์ก็ไม่ไม่ชอบแหละเพราะแต่ดูแนวเราไม่ชอบค่ะแต่อะไรก็ไม่ได้นะคะค่ะเอาพวกนี้มันเป็นของคนใจต่ําคนใจสูงเขาไม่ไม่สนใจแล้วคแล้วก็ถ้ามีโอกาสคือก็อยากจะไปปราภาษอาจารย์ชังเทสที่น่ากุฏิด้วยค่ะก็คือพระอาจารย์จะลงวันวันพระแล้วก็วันเสาร์อทิตยวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการแล้วก็วันพระ ครั้งที่แล้วพลาดค่ะเพราะว่ามันมันไม่ตรงวันที่พระอาจารย์ลงทํามะก็ไม่เป็นไรดูดูใน YouTube Facebook ก็ได้ในสตอร์ด็สดทุกครั้งเหมือนกันตอนนี้ก็ดูได้ตอนนี้ก็ดูได้อยู่ที่ออนไลน์ก็ดูได้ดูได้ค่ะค่ะก็ว่าจะไปนานขึ้นนะคะพระอาจารย์อาจจะสักประมาณสสัปดาห์ช่วงตจะได้คุ้มค่าตั๋วเลยคุ้มค่าใช่ค่ะค่ะอารคคุ้มค่ะพระอาจารย์ ค่ะเอเป็นทัวรที่วิเศษที่สุดทัว่วร์ธรรมะใช่ค่ะทัวเนกขมมะเขาเรนยกทัวรเนกขมมะค่ะการออกจากกรรมมาพบการออกจากการมมาพบเนกขมมะคือการออกจากการรมการมมาพบอย่างน้อยไปอยู่อรูปประพบก็ยังดีค่ะพระอาจารย์เข้าฌานเขก็รูปชาน ค่ะเจ้าตะวันก็ชอบนะคะพระอาจารย์เขาชอบชอบมากก่อไปโรงเรียนสาวพระอาจารย์อ่ดีค่นนี้ก็เป็นโรงเรียนอีกอย่างโรงเรียนพุทธศาสนาอืมโอเคมีอะไรไหมก็พระอาจารย์คะเอ่อโยมขอถามอีกคําถามหนึ่งนะคะพระอาจารย์คือว่าโยมอ่านธรรมะพระอาจารย์เรื่องที่ว่าพระอาจารย์บอกว่าความรู้สึกไม่ยินดียินร้นายเนี่ยจะเหมือนกับกับเวลาที่ พอรู้ว่าเป็นแบงค์ปลอมเป็นแบงค์เกีอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็จะรู้เฉยๆแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วโยมก็เลยมาเทียบกับความรู้สึกว่าอย่างเมื่อก่อนโยมจะชอบฟังเพลงนะคะพระอาจารย์จะชอบมากเลยนะคะ <c oughs> ทีนี้อยู่ดีๆมันก็ไม่อยากฟังแต่ว่าถ้าไปอยู่ในที่ที่เขาเปิดเพลงก็ก็คือมันก็ไม่ได้แบบไปเอนจอยแบบเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไปโกรธหรือรังเกียจอะไรแบบนี้ค่ะแบบนี้มันจะคล้ายๆกันไหมคะพระอาจารย์มันจะเป็น ไม่ยินดียินร้ายเหมือนกันไหมคะพระอาจารย์โยไม่อยากไปเองนะคะก็เฉยเฉยถ้าเฉยเก็แสดงว่ า, าไม่ยินดีร้ายอ๋อค่ะถ้าฟังแล้วเกิดอารมณ์ชอบขึ้นมาก็ยังยินดี oh. หรือถ้าไม่ชอบลำคาญก็ยินยินร้ายอ๋อค่ะก็เหมือนกับเราฟังเสียงทั่วไปเสียงนอกเสียงกลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมักจะไม่ค่อยมีอารมณ์กันเสียงธรรมชาติใช่ไหมเสียงลมพัด mm. เสียงอก็ mm. ต้องเป็นแบบนั้นนะแต่เรียกว่าไม่รักไม่ชัง เใ้าค่ะแต่มันไม่ได้คิดถึงไตลักษ์มันจะไม่ไม่อยากของมันเองนะคะพระอาจารยอันนี้มันมันมันมันเพราะว่ามันมันเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันจืดชืดกับสำหรับดิเลตเราแล้วมั้งดิเลตเรามันไม่ได้ไปอไปดูดไปดูดซึมมันเข้ามามันมันก็ไม่แน่มันอาจจะเป็นของที่เราอาจจะเบื่อก็ได้เบื่อทั้งโลกก็มีมันก็เฉยเฉก็ได้บางทีเราเบื่อของบางอย่าง เมื่อก่อนเราเราบ้าับอะไรวันหลังเราเบื่อเราเราก็เฉยเฉยกันไปเมื่อก่อนอาจจะเบื่อบ้าแต่งหน้าต้องทาเครื่องสำอางชนิดต่างๆมาใช่ไหมพอนนี้เราไม่แต่งแล้วเราก็เฉยเฉยไมันก็แต่ก็ไม่ไมาน่ใจว่ามันมันมันมันเกิดปัญญาหรือเกิดอะไรขึ้นมาอันนี้มันเป็นเรื่องของจิตที่มันอาจจะพลิกไปพลิกมาเบื่อเบื่ออยากอยากก็อยา มันนั้นั็ยังแตไม่ได้บอกเหมือนเดิมวันหลังมันอาจจะอยากขึ้นมาอีกก็ได้ของม่อไงค่ะถ้ามันเบื่อด้วยปัญญามันใหญ่ว่ามันไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจกลายเป็นความทุกข์มากกว่าทใไมจิตใจเราต้องไปวุ่นวายไปกับมันต้องไปขอหามันมาฟังมาอะไรทำไมฟังแล้วรู้สึกเหงา ค่ะรู้สึกว่าเรื่องเรื่องฟังเพลงก็กเบื่อเรื่องดูหนังก็เบื่อแต่จะเป็นบางอย่างถ้าเป็นพวกซีนี่เกี่ยวกับพว ก, ก, พวกสืบสวนสอบสวนแบบฆาตการรมแบบเนี้ยจะชอบดูเพราะอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันค่ะ เ, เป็นจิตวิท ย, ยาแบบนี้จะชอบค่ะอันนี้มันเป็นเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องความเบื่อแต่ไม่ใช่เรื่องของปัญญาเรือ่องเรื่องของปัญญามันต้องเบื่อมันต้องเห็นว่ามันไร้สาระทั้งหมดเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อ๋อมันจะตัดได้ร้อยเปอร์ซ็นเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องของปัญญา อนวบัญญัติคือมันจะไม่มีความรู้สึกเวลาไม่ได้ดูว่ามันก็ไม่ยืดรู้สึกว่าอะไรถ้าเราไปติดเรื่องไหนพอไม่ได้ดูมันก็ยังมีความรู้สึกหนาวขึ้นมาควรู้สึกอุดเหยียดขึ้นมาค่ะแต่เรื่องกินย่งร้อยปอรค่ะพระอาจารย์สัตว์เต็มเหนียวอยู่ค่ะพระอาจารย์เต็มเหนียวต้องพิจารณาปฏิกูยิยาอาหารอยู่เรื่อยเรยนึ่นถึงภาพของอาหารที่เข้าไปในปากที่เข้าไปในท้องที่ออกมาจากทางทาวาร <c oughs> เราต่อไปเวลามันเห็นอาหารแล้วมันจะมันจะรู้สึกเฉยเฉยโยมเคยคิดจะทําก็คุยทำบ้าง <c oughs> ไม่ทำบ้างคะ่ะอ <c oughs> าจารย์แต่บางทีกิเลสมันก็พูดขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ความทุกข์แบบเอ่อที่มากระทบกระเทือนใจมากเดี๋ยวค่อยทําก็ได้แบบนี้คะ่ะอาจารย์เรื่องการพิจารณาอาหารนะคะโยมก็ไปพิจารณาแค่อจุภักร่างกายของเรากับของคนอื่นแบบเดียวคะ่ะอาจารย์ก็แปลกอะค่ะอาจารย์ ก็อาจจะยังไม่ถ like ึงเวลาถ้าไปบวชนี่ยมันบางทีมันหิวข้าวอย็นขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นมันต้องใช้อ๋อมันต้องใช้แล้วใชรไหมคะที่ฟันกำป็นแต่ถ้าไม่ใช้มันจะหิวมันจะทุกข์หรือถ้าเราปฏิบัติเข้มข้นบางทีเราก็อดอาหารต้อการอดอาหารมันช่วยกระตุ้นความเพียรของเราในขณะนี้กันเราก็ต้องเจอความทุกข์ที่เกิดจากความหิวอาหารอยากกินอาหารเราก็ต้องนึกถึงความเป็นปฏิคุณของอาหาร มันก็จะช่วยบรรเทาความหิวความอยากกินอาหารได้ความอยากส่วนใหญ่ความหิวส่วนใหญ่มันอยู่ที่จิตอยู่ที่ความอยากความหิวของร่างกายจริงมันแค่สิเปอร์เซ็นั่นเองมันไม่รุนแรง <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องมืออันนี้ต้องต้องถึงเวลาก่อนถ้าเรนยังไม่ถึงเวลามันก็ยังใช้ไม่ได้ <c oughs> ค่ะใจมันไม่อยากจะทําเท่าไหร่ก็คิดนิดๆหน่อยๆค่ะพระอาจารย์แต่ว่าไม่ได้แบบจริงจังมากเหมือนกับพิจารณาอสุภาร่างกายแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ดีก็ค่อยๆทาไปมันเป็นงานที่มีหลากหลายนะครับก็มันถึงเวลามันก็จะรู้เองว่า อ, อตอนนี้ตัวที่มีปัญหาแล้วเราก็ต้องแก้มันมถ้ายังไม่มีปัญหาเรายังไม่ไปไปสร้างปัญหากับมันมันก็ไม่นำใจต้องไปทําอะไรออืค่ะมันยังไม่เห็นทุกข์ตรงนั้น ใมะไม่เห็นทุกข์ก็อาจารย์โยมมีเพยงยมมีเพียเท่านี้ค่ะอาจารย์โอเคก็ขอบพระคุณค่ะโอเคเี๋ยวยังไปคุณคุณหมอพิเชษต่อคุณหมอขอบพระคุณพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายฐานของจิตคือจุดยืนของใจครับ ฐานของจิตก็คือความสมบงบแน่ที่เป็นที่ตั้งของจิตจิตตั้งมัน่นจิตมีพลังจิตไม่ไม่หวั่นไหวกับอะไรก็ตอนที่จิตอยู่ในความสงบที่เราเรียกว่าสมาธิอัปนาสมาธิตั้งแต่รูปชาตั้งแต่ชาติสี่ขึ้นไปเนี่ยคือว่าเข้าถึงฐานของสิธของของจิตนะชาตหนึ่งชาติสองชานิสา ม, สามยังกําลังยังกําลังเข้าไปอยู่ ยัง ม, มีวิโตกวิจารในอะไรอยู่พอถึงฌานสีแล้วมันจะมันจะเร็วแต่อุเบกขาอย่างเดียวอันนั้นแหะคือฐานมีจิตก่มีฐานทา ง, งจิตแล้วมักจะไม่ค่อยถูกกำลังของจเจริญคอยผลักดันแต่ก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่รุนแรงเหมือนตอนเหมือนกับคนที่ไม่มีทางมจิต เราไม่มีทางของจิตเนีายเราเดี๋ยวว้าวุ่นขุ่นวัวง่ายๆแต่คนที่มีมีสมาธิมีโอเบคาเนยมันจะค่อนข้างที่จะเย็ยนที่จะจะสงบจะไม่ว่าแต่ยังยังยั ง, ย, งยังมีกิเล็กิเลสยังไม่ได้ถูกกำจัดด้วยปัญญาทึ้งทั้นตอนเราต้องการที่สร้างฐานของจิตขึ้นมาก่อน มันจะเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นฐานที่เราจะได้เจริญปัญญาวิภาวนาปัญญาขั้นระดับภาวนามยปัญญาหนอปัญญาขั้นระดับสุตตาคตินตานี่เราไม่ต้องเบีสมาธิมากเพียงแต่ว่าใจเราเวลาอ่านหนังสือธรรมะและฟังธรรมะก็ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็จะสามารถดูดซึมธรรมะคำสอนได้ปัญญาในระดับการได้ยินได้ฟังได้ แล้วขั้นต่อไปเราก็เอามาไข้กวนพิจารณาอยู่นองเลี้ยงเพราะจะได้ไม่ลืมเพราะความรู้ถ้าเราไม่มาทบทวนอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ลืมได้อย่างคุณหมอเนี่ยจบหมอมาคหมอก็ยังต้องติดตามข่าวสารทางการแพทย์อยู่เรื่อยๆว่มีเรื่องใหม่ๆหรือว่าไม่ฉะนั้นก็ต้องคอยรักษาคนไข้อเรื่อยๆจะได้ทบทวนความรู้ถ้าจบมาแลาวไม่ไปรักษาใครเลยเนี๋ยวมันก็จําไม่ได้เลย ลืมได้ปัญญาขั้นที่สองก็ต้องเอามาไข้กวนแลี่จินตามายาปัญญาแต่ปัญญ า, ญญาทั้งสองขั้นนี้ยังไม่มีกําลังที่จะไปหยุดกิเลสได้หยุดต้องมาเจริญภาวนามยาปัญญาสร้างฐานโยมจิตขึ้นมากัน้นอัปปนาสมาธิเพรอมีอัปปนาสมาธิแล้วที่ปัญญาที่เราเรียนมานี่ยที่ได้ยินได้ฟังมาที่ได้ไข้กวนเนี้ก็สามารถเอามาหยุดความอยากได้ทันที จาเป็นต้องมีฐานคนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องฐานของจิตว่าไม่ต้องไม่ต้องเจริญสมาธิพิจารณาปัญญาได้เลยพิจารณาได้แต่มันหยุดกิเลสไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ไม่มีกำลังเนตอนนี้เรายังทุกกับความแก่ความเจ็บความตายกันอยู่ใช่ไหมถ้าเรายังทุกขแสดงว่าเรายังไม่มีฐานของจิตไม่มีสมาธิพอ ที่จะสามารถหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ถ้ายางเราแสดงถ้าเรายัางทุกข์อยู่เรายัางกลัวความแก่ความเจ็บความตายอยู่แสดงว่าเรายัางไม่มีปัญญาขั้นที่สามมีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สเรารู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เรายัางห้ามใจไม่ให้ไปทุกข์กับมันไม่ได้ยังห้ามใจไม่ให้ไปกลัวมันไม่ได้ เพรใจอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกิเลสเ น, นี่ยอยากนะถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีฐานที่จะดึงจิตไว้ไม่ให้ถู ก, กอำนาจของกิเลสฉุดลากไปถ้าเรามีฐานแล้วกิเลสก็ฉุดลากไปไม่ได้เราก็จะเฉยๆอยู่กับอุเบกขาไปเวลาแก่ก็อุเบกขาไปเวลาเจ็บก็อุเบกขาไปเวลาตายก็อุเบกขาไป ัการฝึกสมาธิสำคัญมากอย่าให้ใครมาหลอกเราว่าไม่ต้องฝึกนอกจากเรามีมาแล้วอันนี้ก็เป็นกรณียกเว้นชาติก่อนบางคนอาจจะฝึกสมาธิมาแล้วเช่นพระพุทธเจ้านี่ท่านมีสมาธิมาแล้วแต่ก็ยังไม่ท่านก็ยังต้องมารื้ฟื้นอยู่เพราะว่ามันเป็นเพียงแต่ของของเก่าก็เจงอยู่มีอยู่แต่บางทีอาจจะยังมีกําลังไม่มากพอก็ได้ พยายามสร้างถานของจิตขึ้นนะากลตาบอกคนที่มี ท, ทาองจิตในคนมีหลักใจมีหลักใจมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจิตใจยังไม่ไหลไปทางกระแสของความโลมความโกรธความหลมากจนเกินไปนน้อยก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมได้แต่ยังไม่สามารถดับความทุกข์ในใจได้ทั้งหมดต้องใช้ปัญญา โ okay. อเคเข้าใจนะครับเข้าใจมากคึ้นครับอาจารย์คขอบคุณคุณผู้สูงครับไปที่คนที่ตีมาอายู่ดอนเมืองอาจารย์น่าอะไรครับผมไม่เจอเนื้อทางคุณบอยยังไม่ได้อนุญาตการสักการะผมพึ่งเด้งครัขอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีคำถามเมืนเดิมค่ะอาจารย์ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะขอขอ โ okay. อเคไม่ได้เป็นฝนดาเป็นฝนกลับมาสการค่ะพระอาจารย์เออขอเรียนพระอาจารย์พอดีว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ ะ, ะหนูค่อนข้างจะมีความกังวลไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะคะแล้วพยายามจะอะใช้ ปัญญาหรือใช้อะไรคิดหลายๆอย่างนะคะว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอย่างที่บอกคือเราไม่มีกำลังของสมาธิมาสนับสนุนนะคะมันก็ทำให้ยังมีความอยากแล้วก็ไม่สบายใจหนูก็เลยเหมือนหลบหลบกับหลบปัญหาะคะ่ะด้วยการไปเข้าสมาธิแทนนะคะพระอาจารย์คือเหมือนช่วงระหว่างที่เข้าสมาธิรู้สึกว่ามันสงบมันไม่ต้องคิดกังวลเรื่องของงานนะคะเราก็เลยใช้วิธีนี้มาแบบ สองสาวันแล้พอหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากออกจากสมาธิาค่ะเหมือนพอใจสงบขึ้นเนี่ยมันก็มีความอ่ใช้สติในการแก้ปัญหาในการทํางานให้ผ่านไปได้แบบในไปปล่อหนึ่งอะไรแบบนี้ยค่ะหนูช่วงช่วงนี้ก็เลยใช้วิธีเข้าสมาธิในการหาความสงบแทนนะคะพระอาจารย์ใช่เพราะเราขาดขาดสมาธิไงเราไมีมปัญญาเราลืวมว่า ม, มันเป็นอ น, นัตตาเราบางทีก็กลัวภูมิบางครั้งไม่ได้ แต่เราก็ยังอยากจะควบคุมบังคับมัอนอยู่ใช่เจ้าค่ะนย้พอเราไปเข้าสมาธิปั้มมันเราก็หยุดเราก็อยู่ในอเวคาพอออกมาเราก็เฉยๆกับปัญหาได้อแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ปล่อยไปค่ะก็เป็นไม่เครียดมันค่ะหนูก็ทําทําถูกแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์คือเหมือนหหเหมือนเหมือนเราเรียกปัญหาคื อ, อเรื่อเรื่องความยากมัอย่างนี้ไม่ได้เรื่อเรื่องเพียงแต่พักปัญหาไว้ก่อน่ ไปสร้างพลังของเราขึ้นมาก่อนให้เรามีพลังเพื่อเราจะได้กลับมาแก้ปัญหานี้ต่อไปทํําทาอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถูกต้องแล้วถ้เรามีปัญญาแล้วรู้ว่าเป็นตายล้วแล้วก็ยังหยุดไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีกําลังหยุดเราไม่มีสมาธิเราไม่มีอุเบกขาเรา แ, แก้ในขณะนั้นเลยก็น่าถ้าอยู่ในเหตุการณ์ก็พูดโธพูดโธให้มันเนิ่เฉยไว ก็ก็ใชด้ด้วยค่ะพระอาจารย์ใช้ด้วยเจอปัญหาเวลาแก้ความเจ็บของร่างกายเนี่ยใจเราทุกข์ประมาณนี้แล้วก็ใช้พุทโธพุทโธให้มันเฉยๆกับความเจ็บนี่นะอ่าก็ก็ใช้ด้วยค่ะใช้พุทโธพุทโธด้วยค่ะแล้วแต่เหมือนแบบเอ่อเวลาเดี๋ยวนี้มีอะไรเข้ามาคือจะพุทโธตลอดเลยค่ะพระอาจารย์มันก็อ่าระงับได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ก็ใช่ค่ะถ้าไม่ได้ก็ปีกไปถ้าอยู่ในอยู่ใน อยู่ในสนามรบสู้ไม่ไหวก็ต้องถอยไปก่อนถอยไปตั้งหลักก่อนต้องถอยมาตั้งหลักหาเวลามานั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ครบตามแล้ ว, ลว น, นี่ถูกต้องค่ะอืไม่ไม่ใช่เป็นการหลบไม่การหลีเป็นการต้องการที่มาสร้างกําลังของจิตเพื่อที่จะได้กลับไปสู้ต่อไปต้องชนะมันให้ได้ตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าทุกวันพุธพอดีหลังจากพุธที่แล้วก็เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็ เติมพลังงานเข้าไปอะค่ะก็เลยแรงขึ้นมาคือแบบเหมือนขึ้นมาปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีค่ะตลอดอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์ก็ใช้วิธีนี้ค่ะควรจะฟังเทศย์อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีฟังค่เหมือนกับต้นไม้ต้องต้องคอยได้น้ําอยู่เรื่อยมันจะได้ครับไม่เฉาค่ะหนูฟังเกือบทุกวันนะคะพระอาจารย์ตลอดเลยไม่ไม่ทิ้งการฟังเท่เลยฟังแทบจะเกือบทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์อื ใหญ่ได้มีธรรมะหล่อเลี้ยงไปเหมือนต้นไม้มีน้ํำหล่อเลี้ยงค่ะพระอาจารย์ค่ะก็วันนี้มีเอคําถามหรือเรื่องที่จะกราบเรียนพระอาจารย์เท่านี้ค่ะพระอาจารย์ก็จะใช้วิธีนี้ต่อไปค่ะเนี่ยสมาธิกับปัญญาเนี่ยมันเป็นของคู่กันถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งขาดมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ได้ค่ะได้เจ้าค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะคะค่ะรับด้วยนะ คระฟังดูค่ะคุณสาธกาชายนาเป็นยังไงพระฟังธรรมมาว่าอาจารย์ไม่มีคําถามครับปฏิบัติอยู่ค่ะนี่จ้ะสาธุดูคุณเน่งอันนี้เข้ามาเร็วเน่อยสวัสดีค่ะพระอาจารย์พอดีว่าเมื่อกี้ได้ยินญาติธรรมถามเกี่ยวกับเรื่องสมาธิอะค่ะยอมเข้าใจว่าที่ที่เคยมีคนกล่าวว่าสมาธิอะเหมือนหินทับหญ้า แต่ก่อนเนี่ยความเข้าใจก็เลยคาดเคลื่อนมันผ่านคําเนี้ยมันผ่านไปว่าสมาธิอ่ะเป็นสิ่งที่ว่าเหมือนถ้าปฏิบัติแล้วอ่ะมันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้แต่จริงๆยอมคิดว่าสมาธิเนี่ยสําคัญมากใช่ไหมเจ้าคะยังไงคือคําพูดเนี้ยมันเป็นคําพูดเหมือนว่าคนเหมือนกับว่าสมาธิเป็นแค่หินทับหญ้าแต่ถึงยังไงอ่ะสมาธิก็สําคัญยังไงต้องผ่านจุดนี้ให้ได้ถูกต้องใช่ไหมคะพระอาจารย์ ก็สมาธิเนี่ยหยุดกิเลสได้เพียงแต่ว่าหยุดมันดับถาวรไม่ได้เท่านั้นเองหินทับหญ้าก็เหมือนถ้าเราเอาห็นไปทับหญ้าหญ้ามันก็งอกขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะนอกจากถ้าเราเอาเห็นนอกมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้เจ้าค่ะกิเลสเวลาเราเข้าสมาธิมันก็ทํางานไม่ได้เจ้าค่ะแต่พอเราออกจากสมาธิมากิเลสมันก็ออกมาทํางานต่อได้เจ้าค่ะอต่ ถ้าเราจะใช้ปัญญาฆ่ากิเลสเราก็ต้องมีสมาธิมีกําลังที่จะหยุดมันให้ได้ก่อนเจ<ร>้าค่ะใช้ปัญญามาสอนเราให้รู้ว่าตัวที่เป็นบัญหาก็คือตัวกิเลสนี่ตัวความอยากเราก็หยุดความอยากได้ทันทีเพราะเรารู้ว่าเราทุกข์เพราะความอยากเ้าค<ร>่ะแล้วมันต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาอ๋อเจ้าค่ะปัญญาอย่างเดียวถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยาก อือเจ้าค่ะอย่างตอนนี้เรารู้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าเรารู้ว่าถ้าเราเร า, เราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็จะทุกขใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วเราหยุดความอยากนี้ได้ไหมมันอาจจะยังไม่ได้หรอกอ่าถ้าเกิดไปเจอโลกอะไรนี้เราจะ ทุกไหมน่าจะน่าจะกลัวไหม้อนเฉยเฉยิกาบอกว่าต้องลองดูอ่า น, นะถ้าเราเฉยเได้ดมันก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนนะเป็นก็เป็นตายก็ตายมันก็โอเคอ้าตื่นเต้นตกใจอันนี้แหละสแสดงว่าไม่มีสมาธิมีปัญญารู้มาตลอดว่าต้องเจ็บต้องตายแต่พอเจอของจริงเขา้า มันสูกนอกเลยบางคนนะใจตกลงมาที่เท้าเลยตกใจอหมอบอกว่าเป็น ม, มีวันที่พ่คอค่ะใค่ะมีวันอะไรมีวันที่พ่อของของของโยมเสียคะ่ะเป็นมะเร็งเสียโยมก็ลองดูคะ่ะว่าจริงๆวันนั้นก็เหมือนสติแตกแต่ว่าก็ลองกลับมาเข้าห้องผ้าแล้วก็ พุโทโธค่ะก็ก็ก็นั่งได้ก็คิดว่าก็ไม่ฟูมฝ่ายอะไรอะค่ะแต่ก็ก็ก็คิดว่ามสมาธินี่ก็ช่วยเราเหมือนกันช่วยเยอะอะค่ะช่วยเยอะที่ทําให้แบบแต่ก่อนเราอาจจะแบบเหมือนถ้าเกิดเราเสียใจแล้วก็มันมันเป็นประเภทว่าคลั่งครวญเสียใจร้องไห้ไร้สติอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้พอถ้ามันมีเรื่องเรื่องเรื่องเสียใจแล้วก็เข้าสับลองเข้าสมาธิคือฝึกดูว่าเราจะใช้พุทโธเนี่ย อยู่อยู่กับผู้โทอยู่กับลมหายใจเราได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วมันก็สงบไม่แล้มันก็ไม่ฟูมไฟเจ้าค่ะนั่นแหละเราต้อสายสมาธินีน้นะาากำจัดความทุกข์เยความฟูมไฟนี่ก็คือความทุกข์เนี่ยเจ้าค่ะมีคําถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอันนี้คือเป็นคําถามที่ ท, ที่ที่เพื่อนฝากถามพระอาจารย์นะคะคือเพื่อนคนเนี้ยเขาก็ปฏิบัติตแต่ว่าเขาปฏบิบัติสายเอ่อ สายยุบหนอพองหนอค่ะเหมือนหลวงพ่อจารานค่ะเขาปฏิบัติมาเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะเขาฝากถามนิดนึงเขาบอกว่าตอนเนี้ยอยู่ๆอะ่ะเขาไม่อยากปฏิบัติและมันจริงๆเขาปฏิบัตินะคะแต่ว่าเขาบอกอยู่ๆมันเป็นความรู้สึกว่าไม่อยากทาทานไม่อยากปฏิบตัติมันเฉยๆขึ้นมาเขาก็กําหนดจิตเหมือนกับว่าดูในกายเขาอ่ะเขาบอกว่ามันเหมือน เหมือนนึกถึงคําว่าครูบาอาจารย์บอกว่ามีพยามาณแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเห็นอนะเหมือนกับว่ารู้ว่ามันมีมีมีพยามาณในตัวเขาอะแต่จัดยงก็ไม่เข้าใจนะคะที่เขาพูดเขาบอกว่ามันมีจริงๆเหมือนมันแบบมันมีเมืองมันเลยอะ่ะในตัวเขาอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบออกลูกออกหลานเขาเรียกว่าพยามาณแล้วก็ เขาเลยบอกมันมาขวางหมดแต่ก่อนนั่งสมาธิก็ไม่เห็นปวดเมื่อยอะไรเท่าตอนนี้เดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าพอปฏิบัติมันก็มาทํามาขวางให้เจ็บให้ปวดให้แบบมีเหมือนมีอุปสรรคในการปฏิบัติอ่ะค่ะเขาก็เลยบอกว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนพยามาเนี่ยมันมีจริงไหมขอขอขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนํานิดนึงค่ะว่าจะผ่านตรงจุดนี้ได้ยังไงเหมือ น, นกายยักษ์ละคร อ, อะไรของเขาเนี่ยค่ะกิเลสมาเนี่ย กิเลสสมานกิเลสเนี่ยเป็นตัวที่มาขวางการปฏิบัติธรรมของเราว่าเราทักทำของเราก็อ่อนกําลังลงสติอ่อนกําลังมันก็เลยสามารถบุกเข้ามาทําลายทําลายใจของเราได้ทําลายธรรมะที่เรามีอยู่ได้เรากลับมาฟื้นฟูสติพยายามบริกรรมพุโทโธพุโทโธทําใจให้สงบแล้วกิเลสสมานมันก็จะถูกกําลังของสมาธิกดเอาไว้ เม่อเาเห็นไม่ทัพยาเมื่ก่อนแล้วจริงๆไหมคะว่าพยา ม, มาเนี่ยมันจะมีลูกมีหลานในในตัวเราได้อะไรเงี้ยมาขวางเราอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อมันเป็นจินตนาการของจิตประดัแต่งไปอ๋ อ, อ, อเป็นจินตนาการของจริงๆว่าคือกิเลสเนี่ยแหละที่เขามีใช่ก็เหมือนนอนนอนหลับมันก็ฝันปรุงแต่งไปค่ะแล้วนี่เหมือนเขากําหนดจิตลงไปดูในตัวอื อันนี้แหละมันเป็นเรื่องการนั่งสมาธิของเขานั่งแบบไม่มีสติมันก็เลยปล่อยให้กิเลสมันปรุงแต่งเรื่องราวมาหลอกก็เป็นไปได้เพราะพักหลังเขาชอบแบบเหมือนกับว่าใครถามอะไรเขาก็จะแบบไปดูให้หมดเลยมันก็อาจจะทําอาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะคุณเจ้าที่ว่าพอไปส่งจิตออกเยอะๆเนี่ยมันเลยทําให้เกิดผลเสียเจ้าค่ะจากคขอประุงแต่งค่ะ ไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะกลับขอพระคุณพระอาจารย์ะคะ่ะอ่าหบอกนะต้องกลับมาต้องเอาส ต, ติใช้หนึ่งเอาส ต, ติหนึ่งจิตกลับมาให้สงบแล้วทุกปัญหามันก็จะหายไปกลับขอพระคุณเจ้าค่ะโอเคไปที่แม่ลูกที่นราที่ว่าสคุณอิศยากับคุณนุษรานรัมการกับพระอาจารย์ธรรมศการขา่าพระอาจารย์ะ วันวันนี้อ่ลูกที่ลูกน้องหนูเข้ามาด้วยนะคะพระอาจารย์เอฝากด้วยค่ะชื่อกระหนกวันค่ะะเห็นแล้วเห็นแล้วหนูสองช่องเดี๋ยวเราช่องมีอะไรหมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูรัดคิวให้ให้พี่หนูเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่กลับมาแล้วนะท่านรัดคิวอ๋อไม่ใกลับไปกลับมาไม่ได้นะ พระอาจารย์คะช่วงเอาเอาเอาหนึ่งคำถามก็ได้ค่ะช่วงช่วงเนี้ยค่ะหนูพยายามไม่ไม่แต่งคือเหมือนพยายามถอยยังไม่รับปากว่าจะถือสิงแผลค่ะแต่แต่แอคชั่นเหมือนคล้ายๆคนถือสิงแผลนะคะ่ะพระอาจารย์พอวันนี้เวลาว่างพยายามอยากจะออกไปเที่ยวใช่ไหมคะมันไม่มีอะไรให้ทําำค่ะพระอาจารย์เล็บก็ทําไม่ได้ผมก็ทําไม่ได้น้ําหอมก็ดมไม่ได้ทําอะไร ไม่ได้เลยค่ะมันก็ไม่มีอะไรให้ให้สนุกอะค่ะยังไงก็ต้องกลับมาบ้านอยู่ดีค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็มันพอเวลาจะนั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์มันอย่างถ้าสมมุติว่าฉีดน้ำหอมบางทีเราสบายใจค่ะนั่งสมาธิดูง่ายกว่าแต่ว่าช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าสมาธิแต่ว่าหนูไม่ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยนั่งทุกวันนะคะ แต่ว่ามันเหมือนโรเลอร์โคสเตอร์ค่ะปกติถ้าสมมุติถ้าจะไปมันก็แค่เหมือนทางนิดหน่อยเฉยเฉยมันมันแค่มันแช่ไม่ค่อยมันไม่ยากเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ในการที่พยายามตัดพวกลูกรถจิ๋วเสียงอะไรออกไปค่ะพระอาจารย์จะต้องทํายังไงต่อคะทำอะไรถามอะไรเหอย่างนั้นตอนที่นั่งสมาธิค่ะมันดูยากกว่าค่ะกับการที่หรือว่าเพราะว่ามันเราตัดพวก อ, อ๋อสมาธิมันยากกว่าการการระ ง, งับพวกนี้ระ ง, งับเราถือศีลแล้วก็เราก็มิกเรก็ระ ง, งับได้แต่จะให้จิตเข้าสมาธินึงมันต้องใช้กําลังของสติมากกว่ากําลังส ต, ติต่างกันมีส ต, ติไว้หยุดหยุดการการไปทําการละเมิดศีลนี่มันมันง่ายกว่ามันก็ไม่ต้องใช้สติตมากเทาก่ากับการใช้สติตให้หยุดจิตให้เน่งสมม มันยากเมันคนละขั้นกันขั้นเสียงกับขั้นสมาธิเป็นคนละขั้นกันต้องฝึกสติให้มากๆากขึ้นต้องฝึกสติทั้งวันอี่ยที่คอยสอนทุกวันปากเปรียกปากฉีกเนี้ยเงินตาขึ้นมาก็ให้พูดโทพูดโธรไปทั้งวันีแม่สามแยดดัดวาดแย่ด้วยถ้าอยากจะเข้าสมาที่ก็ต้องฝึกแบบที่เราพูดเนี่ยมันอยงนีเข้าได้ไม่ ไม่ได้หมายความว่ายังไงค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวค่อยถามไม่ได้นะควมว่ายังไงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยถามอีกครั้งก็ได้เอาว่ามันเกลี่ยไปเลยเลยมัน <c oughs> มันหมายความว่ายังไงที่ว่าที่ถามมานี่ยมันหมายความว่ายังไงใช่สมาธิมันยากกว่ารักษาสีใช่ไหมก็ใช่ก็บอกมันยากกว่าเพราะรการรักษาสีเนี่ยม่ต้องใช้สติมากเท่ า, ากับการเข้าสมาธิไง มือนกับมืนกับการขึ้นเครื่อ ง, องมันมีมีชั้นชั้นชั้นชั้นธรรมดากับชั้นชั้นชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันก็ต้องจ่ายมากกว่ากันใช่ไ้ยราคามันต่างกันนะถ้าอยากจะเข้าสมาธิก็ต้องมีสติมากกว่าสติที่เรามีอยู่ตอนนี้สติดตอนนี้เราพอจะรักษาสีนได้แะไม่มีกำลังพอที่จะดึงจิตให้เข้าสมาธิได้เป็น ค, ความหมาย ที่หนูถามไม่ไม่ใช่เรื่องนั้นนะคะพระอาจารย์คือเขถามยังไงลนะตองที่ถามว่ามันยากกว่ากันข้าสมาธิยากกว่ากันการไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ใช่หรือก็ถามนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะหมายความว่าตอนที่ถือศีลห้าค่ะนั่งสมาธิได้เพราะมันไม่ได้อึดอัดที่เหมือนกับตอนไม่ได้อึดอัดอะค่ะที่ไม่ต้องไม่ต้องตัดพวกเรื่องพวกนี้ออกไปอะค่ะพระอาจารย์แต่พอตอนถือศีลแปดเนี่ยค่ะแต่ว่าเรายังต้อง ใช้ชีวิตประจํำวันอยู่มันถ้าอยู่วัดนะคะมันไม่เป็นไรใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปเจอสิ่งยั่วยุอะไรเท่าไหร่แต่พอถือสินพยายามจะถือสินแปดแล้วนั่งแล้วต้องมานั่งสมาธิหรือว่าพยายามทําใจให้สงบค่ะมันจะยากกว่าอืใช่ก็เพราะว่าเราทําข้อสอบสองข้อนึงมันหนักกว่ากันนะถ้าเราถือสินห้าเราก็ทําข้อสอบเพีงข้อเดียวข้อของการเท่านั่งเข้าสมาธิอย่างเดียว ไม่ต้มากังวลกันเลี้ยงศีลแปดเราก็ยังรู้สึกว่านั่งง่ายแต่นั่งมันก็ไม่สงบอยู่ดีใช่ไหมหรือมันสงบถ้าสงบว่าถึงศีลห้าไปก่อนนะได้ได้เหรอคะถ้าอย่างนั้นหมายถึงว่าถ้าคุหนูไม่ได้พูดเง่าย ห, หนูไม่ได้พูดเล่นค่ะพระอาจารย์แต่หมายถึงว่าถ้าไม่เกินยี่สิบนาทีมันก็สามารถเข้าสมาธิได้จริงๆค่ะอืม ก็อยู่ที่คุณต้องการต้องการสมาธิต้องการสี่งอะนี่คุณพี่บอกฮะนี่ก็แปดเพิ่เพิ่งได้ยินเนาะรักษาสิ่งห้าแล้วเข้าสมาธิได้ง่ายกว่ารักษาสี่งแปดออือไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆมันอาจจะเป็นพ่อเรานั่งแค่คนเดียววันเดียวครั้งเดียว การถือศแบดเนี่ยเราต้องการจะนั่งหลายหลายครั้งในกันเราจะได้ไม่เเวลาเสียเวลาไปแบบการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากไปกินอาหารตามความอยากเราพอเราทําตามกิเลสกิเลสมันก็เลยไม่มาขวางเราทั้งนเวลานั่งสมาธิมันก็เลยง่ายเพราะกิเลสมันได้สิ่งที่มันอยากได้มันยังแต่งหน้าทาปากว่าแต่งได้ไม่ใหญ่กินข้าวเย็นมันก็กินได้มันก็เลยไม่มารบกวนเราเวลานั่งสมาธิแค่ ครั้งเดียวมันก็ไม่มันก็ไม่มารบกวนเรานแต่ถ้าเราถ้าเราไปถึงศีลแปดห้าม่กินเละไม่ให้กินข้าวเย็นไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวกิเลสมันก็ต้องผ่านหาเรื่องมามันก็มาควางเรากิเลสสมายก็มาขวางเราโอเคค่ะพระอาจารย์ดีควับ แล้วนั่งได้วันละครั้งหรือวันละกี่ครั้งล่ะถือสิบห้าเนี่ยถ้าถ้าในชีวิตปกติก็วันละครั้งอ่ะค่ะถ้าก็นั่งก็ได้เท่านั้นแหละใช่ก็ได้แค่นั้น่ะแหละถ้าอย่านั่งมากๆเนี่ยเราก็ต้องมาถือสิบแปดดูท่านไปอยู่วัดให้เราเข้าว่าให้ถือสิบแปดกันเนี่ยค่ะอืมโอเคค่ะ ก็ไม่เป็นไรตอนที่เอาถือสีห้าไปก่อนถ้านั่งไหมครับวันละครั้งก็แค่นี้ก่อนมาพอถ้อาอยากจะไปอยู่วัดปฏิบัติทั้งวันเนี่ยมันก็ต้องถือสีแปเพราะถ้าไม่ถือสีแปดมันก็ยังไปกินข้าวเย็นได้ยังไปดูหนังฟังเพลงได้ก็อย่าไปวัดดีกวนะ่าใช่ไหมดี่ให้ไปอยู่วัดเพราะเขาไม่ให้ไม่อยากให้ไปทำอะไรอย่างอืงน่นนอกจากไปฝึกสมาธิฝึกสติเท่านั้น แต่ถ้าเราไม่มีกําลังพอก็ทําไม่ได้คนนี้ถึงสิ้นห้าเดินไปอยู่วัดไม่ได้ไปอยู่พังคืนไม่ได้แล้วถึงสิ้นแปดไม่ไหวได้ค่ะจะลองปรับดูค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะรัชการสาวพระอาจารย์อเมื่อตะครูที่อาจารย์บอกว่าพูดนั้นให้ตั้งแต่ตื่นมายมรู้สึกเหมือนโดนตีแสกหน้าเลยค่ะเพราะยมตั้งใจทุกครั้งเลยว่า ตื่นนอนมาปุ๊บต้องพูดโทพูดโทรแต่มันหลุดหายไปตอนไหนก็ไม่ตาก็เลยอดขำไม่ได้อ่ะค่ะแต่มันหายไม่ได้ยังไงยดีวไปอิยมไปถึงปุ๊บอ้ามันหายไปแล้วอิยมก็กลับมาท่องใหม่อ่ะค่ะแต่มันก็หลุดไปบ่อยๆแต่ก็เลยนึกถึงออาจารย์พูดปุ๊บมันโดนโดนเต็มเตมมันโดนตัวเองเต็มเต็มเลยค่ะก็สําหรับโยมตอนนี้นะคะมันมีเรื่องมาว้าวุ่นอยู่ค่ะแล้วก็พอวันนั้น วันที่ห้านะคะจําได้วันที่ห้ามันรู้สึกตัวตัวตื่นตอนตีสองยมอ้าตื่นทำไมตีสองอ้าตื่นตีสองเข้าห้องพระส่วนมลแล้วกันนั่งสมาธิแล้วกันแต่พอเข้าไปนั่งนะคะมันฟุ้งอาจารย์ฟุ้งยมก็ลืมตาออกมาแล้วก็มองไปที่ดอกไม้หน้าพระใหม่แล้วก็หลับตามันฟุง้งแบบนี้สองหนึ่งสามครั้งนะคะยมบอกว่าทําไมเรานั่งไม่ได้สักทีรู้สึกเริ่มเครียดะค่ะจย์เริ่มเครียดแล้วก็หลับตาใหม่ แล้วก็บอกว่าทำไมเราโง่แบบนี้ทำไมเราไม่มองทุกอย่างให้เป็นไตรลักษณ์แล้วก็คราวนี้ก็เริ่มนั่งใหม่ค่ะอาจารย์นั่งไปก็มันก็ยังคิดแต่เราก็เหมือนก่อนเรากลายเป็นผู้ดูซะมากกว่านั่งนั่งไปจนกระทั่งเออมาลืมตายทีหนึง่งมาดูนาฬิกาจะตีห้าแล้วค่ะอาจารย์โยมก็เราเออเราต้องทำยังไงกับมันอะจนี่คือปัญหาที่โยมเจอค่ะอาจารย์ไไงไๆนะ คือมันมันฟุู้มันไม่มีสติเลยมันก็ฟูเลยถ้าไม่มีสติมันก็ไม่ฟูพยายามดึงกลับมาดูลมใหม่ไปแป๊บหนึ่งมันก็ไปแล้วก็บอกมันกลับไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่ทราบแล้วบอกทําไมเราไม่มองให้เป็นไตรลักจากนั้นก็คือแบบก็พอมันคิดมาไม่ยอมไม่ยอมกลับมาบริกรรมคําบริกรรมอะดีที่สุดไม่ใช่กันมาบริกรรมใหม่ยอมก็เลยแบบ ยมไม่เอามาแบบพยายามจะดูลมลองดูสิดูลมได้ไหมไม่ได้ลนะตอนนั้นมันไม่ได้ น, ะนอกจากทาบริกรรมแล้วส่วนมนต์ไปก่อนอาการ32ก็ได้ไแต่พอยมยมก็เลยลืมตาแล้วยมมาใช้สวดมนต์ตามที่อาจารย์บอกยมสวดมนต์แต่อรหัตสัมมาใหม่เลยค่ะแต่ลืมตาดูแต่เราก็เหมือนกันว่าเราเป็นผู้ดูไปแล้วอะค่ะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นได้ค่ะอาจารย์หรือว่าเราต้องทํำยังไงหลับตา ก็อย่าไปดูอย่าไปเป็นผู้ดูให้เป็นผู้สวดใช่ไหมสวดไปเรื่อยๆจําการจิตจะสงบมันถึงจะหยู่สวนช่วงนี้มันมันไม่ยาวให้เราสวนมันไม่ยาวให้เราบริกรรมมันจะรอให้ไปดูรุ่นดูนี่เป็นผู้รู้รู้อะไรรู้ความฟุ้งซ่านไม่ใช่รู้ความสงบ ฟุ้งฟุ้งจริงๆเลยค่ะจาย์รู้สึกแบบแย่ไปหมดเลยทําไมเราไม่อุเบกขาจะไม่เราแย่แบบนี้คะ่คบบะก็ไม่เหยียบเบรกไม่เหยียบเบรกไม่พูดโทไม่บริกรรมไม่ท่องมันต้องท่องตอนนั้นทําอย่างอื่นไม่ได้ค่ะต้องท่องต้องสวดต้องบริกรรมนี่แหละค่ะปัญหาของโยมโยมต้องกลับมาใหม่ละค่ะจันเพราะว่าตอนนี้ฟองถ้าเราต่อต้านการสวดการท่องเนี่เราก็จะแก้ปัญหานี้ไม่ลงไม่ยาก เราจะดูเฉยๆดูลงก็ดูไม่ได้เพราะกวามสติมันกำลังไม่พอที่จะดูเฉยๆใช่ใชค่ะดูได้แป๊บเดียวก็ไปแล้วอาจารย์เดี๋ยวโยมจะกลับมาทำใหม่ค่ะอาจารย์จะลองกลับมาดูใหม่คราวนี้ต้องด<ร>ูสวดสวดสักครึ่งชั่วโมงดูสวดสักสีทสี่เดือนมันจะถึงจะอยู่มาของวนี้ไม่ใช่จะยหยุดมัมง่ายๆแต่เมื่อเช้านี้ใช้วิธีสวดค่ะอาจารย์แล้วมันก็นิ่ง ตืนมแล้วก็ตรวจตวจสรวจตรวจอย่างเดียวค่ะแล้วมันก็นิ่งแต่โยมก็ยังไม่ได้นั่งนั่ ง, งแ ป, ป๊บเดียวก็ไปเอียย๊ยกเดี๋ยวจะโยมกับนั่งไปสรวจไปเองก็นั่งไปสรวจไปเนี่ยใช้การสรวจเป็นวิธีเจารานสติไปการนนี้จะดูรวมมก็ใช้การสรวจไปภายในใจเนี่ยนั่ง<ม>ในท่าท่าคัดสมาณนั่งในท่าสมาธิที่เราทําสมาธิอยู่แล้วก็สรวจไปภายในใจโยมตอนนั่งท่านั่งขัดสมาณนนแหละค่ะอาจารย์แต่ว่าก็คือแบบ ไอ้เรื่องเจ็บอะไรไม่เป็นนะคะแต่ว่านี่ยฟุ้งนะ้วค่ะคือปัญหาใหญ่เลยตอนนี้อาจารย์จะยุมจะกลับมาทําใหม่ค่ะอาจารย์ทำอะไรล่ะทําใหม่ทำอะไรบริกรรมค่ะจะกลับริกรรมแต่ที่ทำใหม่ทาแบบเดิมมันก็เหมือนเดิมอยู่ไม่ค่ะถ้าเป็นทู่รู้ไปไปดูรู้เองก็มันก็เป็นเหมือนเดิมเงนี้ยค่ะคราวนี้จะกลับมาบริกรรมค่ะอาจารย์เมื่อกี้บอกโอเคค่ะได้ยินได้ยินจากที่อาจารย์เทศให้คำมาร์คของ ถ้าอื่นๆไปก็รู้สึกแบบลงใจดีค่ะอาจารย์เลยจะกลับมาใช้ EVT หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะกลับมาที่กอธรรมออาจารย์ผมไม่ไ่ยังไงคกนนั้นโกนเตหไม่ยังกำลังสักการคพระอาจารย์รออยู่ค่ะยังไม่สิ้นรอาจารย์ครับยังไงสบายดีนะสบายดีครับอาจารย์ อาจารย์สบายดีค่ะก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปฝังราดฟันอีกซี่หนึ่งแล้วอ๋อโชคดีนะคะเยาว์ดีเยาว์ดีจะได้มีฟันกินเคี่ยวอาหารได้จะได้เสริมเล่นอาหารแข็งแรงค่ะคันได้แข็งแรงค่ะไม่ต้องเจ็บปวดทั้งวันทั้งวันอาจารย์ไม่ไม่ฉันอยากแกเส้เศษแก้ปวด ยาแก้เสศษยิ่งอยู่ฉันอยู่แต่ยังแกปวดยังแกจะใช้ทำเอาสถแทนทำเอาสดปกติก็เม็ดเดียวก็อยู่แล้วค่ะอืแก้ปวดนะคะเม็ดเดียวมันไม่ค่อยเจ็บแลนะเม็ดเดียวแต่ไม่ต้องหลายครั้งไม่ใช่เม็ดเดียวสีเชื่อมองมันก็ต้องเย็นใหม่ไม่ไม่อะค่ะถ้าถ้าเป็นยาแรงเนี่ยบางทีก็ไปทําเสร็จก็เม็ดเดียวแล้วก็ไปยาชาหายใช่ไหมคะ ต้องก็ไม่ป่วยอีกเลยนะคะมก็ดีค่ะไม่ไม่ได้ทานเยวอะวันนี้ไม่มีอะไรฝ่ะก็มามามารับฟังท่านหเหมือนเดิมค่ะวันหลังวันข้างหน้าเดี๋ยวไปกราบเหมือนเดิม่ะครับทุกท่าคุณกระหนวันเลื่อนของคุณสาเนี่ยคุณนิษยาอยู่ที่ไหนอยู่นาราธิวาสเลยอยู่นาราธิวาสตอนนี้อยู่สระบุรีค่ะหลวงพ่ออ เราได้ยินไหมคะได้ยินอ่าพูดอะไรคมีอะไรคือตอนเนี้ยโยมอ่ะมีปัญหาในใจกับแม่คือปัญหาอนเนี้ยติดตัวติดตัวโยมอะมาตั้งนานแล้วโยมมีความรู้สึกว่าทําไมแม่โยมต้องทิ้งโยมไปทําไมเขาถึงไม่รักโยมแล้วทีเนี้ยยายทวดของโยมอะด้วยความที่ตอนนั้นโยมเป็นเด็กตาทัวใจทวดของสงสารเขาก็บอกว่าอะ ยกที่ดินให้สองห้องให้โยมสองห้องนะเอาไว้โตขึ้นโยมจะได้ส่งตัวขายที่ตัวเองเรียนแล้วพอโตขึ้นที่ตรงนั้นน่ะตอนนั้นโยมยังเด็กย้ายถ้วยก็เลยโอนให้แม่ก็คือที่ดินตรงนั้นเป็นชื่อแม่แล้วคือโยมได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าที่ดินตรงนั้นน่ะเป็นของโยมแล้วพอนะวันหนึ่งเขาไม่คืนให้แม่ไม่ให้อีกครั้งแม่ก็ไม่ให้ จนครั้งล่าสุดทะเลาะกันรุนแรงมากยอมรับเลยว่ารุนแรงมากรุนแรงแบบขนาดว่าถ้าถ้าถ้าแม่อยู่ตรงหน้าขอโทษนะคะยมยมสามารถอาจจะทำการการอาจจะทาอะไรที่มันไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ยมความโลกของเรา<ม>เราถูกอำนาจของโลภาะมันมัน มันพัดดันเราให้ความอยากนี้พอไม่ได้ยิ่งที่ทำให้โกรธขึ้นมาเราไม่มีสติแล้วมันนั้นใช่มันทำให้แบบเราต้องใช้สติมานั่งคิดต่อว่าสิ่งที่แม่เอาไปกับสิ่งที่แม่ให้เรานี่มันต่างกันเยอะแยะร่างกายของเราชื่อตของเรากับที่ดินแค่แปลงเล็กๆนั้นมันมันต่างกันเยอะ ให้ก็ยกให้ท่านไปดีกว่าท่านให้สิ่งที่เราให้เรามานี่มากกว่าที่ที่สิ่งที่ท่าเอาไปจากเราเข้าใจไหมคือแม่แม่โยมเขาไม่ได้เลี้ยงดูโยมคือถามว่าส่งให้เรียนหนังสือไหมส่งอย่างนั้นเขาก็ ใ, ให้เราเกิดได้นะค่ะอย่าั้นก็ทำทำหน้าที่ครึ่งหนึ่งแะการให้กําเนิดอีกครึ่งหนึ่งก็คือการเลี้ยงดูเขาก็ทําหน้าที่ไปครึ่งหนึ่ง เขาอาจจะมีปัญหาชีวิตของเขาก็ได้เขาอาจจะช่วยตัวเขาเองดูแลตัวเขาเองยังไม่รอดเนี่ยเขาก็เลยต้องเขาก็เลยต้องฝันเราทิ้งมาเราให้อยู่กับตายายปู่ย่าไปตัวเขาก็ต้องไปดล่นนอนต่อสู้กับชีวิตของเขาเราอย่าไปโทษเราอย่าไปโทษเขาอันนี้เป็นเรื่องของเขาอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยในก่อถามว่าเรื่องม่เรื่องพ่อเั้งแม่เรื่องบุญคลกับอะไรเนี่ยเราต้องแยกออกจากกัน บุญคุณ น, นี่ยังไงก็ลบล้างไม่ได้เข้าใจั้นกานให้กําเนิดเราเนี่ยลบล้างไม่ได้บุญคุณของพ่อของแม่ส่วนการกระทําของเขาเนี่ยมันก็เอาในวได้ขนาดไหนก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาลบล้างบุญคุณได้เราก็ต้องนึกถึงว่าสิ่งที่เขาให้เราเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เขาเอาจากเราแล้วทําร้ายเราที่ไหนก็ไั้ ก็ปล่อยเขาไปอย่าไปโกรธเขาอย่าไปถือสาเขายมก็พยายามจะลืมเหมนกันหมดพอว่าบางทีบางครั้งก็มันมีแวบเข้ามาเออทําไมแม่ถึงทํากับเราอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ก็มีแวบก็พยายามจะลืมแต่ก็มันก็ยังมีแม่ก็ยังมนกิเลสมันเราแม่เขาก<ม>็ ย, ายังมีมรอบกอดลงบนเราเราก็ก็รบกอดอยูด้วยกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคน ก็ต้องเข้าใจเขาแต่เราถ้าเรานึกถึงมุลคนที่เขาให้เรามาเกิดได้เนี่ยเรามันก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่กล้าไปคิดร้ายกับเขาไม่กล้าไปอะไรเขายอมยอมยอมรับกับสภาพที่เราเป็นอยู่ได้อย่างน้อยเขาก็ให้เรามาเกิดถ้าไม่มีเขาเราก็เกิดมาไม่ได้ เพราะฉนั้นไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปหวังอะไรจากเขาเขาให้เรามามากพอแล้วเราไปเราไปหาของเราเองต่อไปได้แลเราโตแล้วหนากสั่งกได้แล้วก็เราก็ไปหาของเราเองส่วนอะไรที่อะไรที่เขาจะให้เราหรไม่ให้เรานี่เราอย่าไปหวังแลาวเราก็จะไม่เสียใจบางทีเขาอยากอาจจะไม่อยากให้เราเกิดเพ้่อซ้ําไปก็ได้เพราะมันอาจจะเป็นภาระ ตอนนั้นเขาก็ไม่อยากจะมีพาละพี่เรามันเลียงลูกแต่ก็ยังดีเขาไม่ไปทำแท้งเลยก็ยังคิดว่าเขายังอุตส่าห์พุ่มท้องเรามาก้าวเดินได้กันแสะดงว่าเขาให้เราเขาให้เราได้แค่นี้เราอย่าไปหวังอะไรมากไปกว่า น, นี้ก็แล้วกันค่ะ แต่ว่าเป็นมูลกรรมของเราเป็นมูญกรรมของเขาแล้วกถานที่จะต้องมาเจอกันมันไม่เหมือนกันทุกคนบางคนก็โชคดีได้พ่อแม่ที่รักลูกดูแลลูกอย่างดีทุกอย่างเลี้ยงดูตลอดบางคนก็เดี๋ยวพ่อแม่ที่ไม่ไม่เลี้ยงดูลูกก็มีทอดทบางทีก็เจอพ่อแม่ไม่ให้เกิดอะไรก็มีไปทําแท้งก็เยอะหมายนี้ เราต้องมองกว้างๆแล้วจะอกว่า เ, ออเราก็ยังดีนะเราก็ยังได้อย่างน้อยเราก็ได้มาเกิดเด็กบางคนไม่มีโอกาสได้เกิดเลยเห็นพ่อแม่ของเราก็ยังไม่จายได้เท่ากับคนพ่อแม่ของคนบางคนคนที่จายได้กว่าพ่อแม่ของเราก็มีเยอะแยะ <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> อย่าไปหวังอ่าเราจะเข้ากันแล้วเราจะไม่เสียใจเขาให้เรามาม า, มากพอแล้วเขาให้ชีวิตเรามาเราสามารถที่จะไปทำอะไรของเราได้ร่างกายเราก็ไม่พิกลพิการนะค่ะดีไหมคิดอย่างนี้ดีกว่ามองไปข้างหน้าอย่าไป ม, มองไปข้างหลังนะอดีตเรามันแก้ไม่ได้อนานคตนี่เราทำให้มันนามที่เราอยากได้ถ้าเรามีมีความพยายาม ถือหลักคำสอนเจ้าอัตาหิอัตโนโนาสองตอนเป็นที่เพื่นของตอนว่าเข้าใจยังพอเข้าใจค่ะอยากจะถามอะไรไหมหรือยอยากจะให้พูดอะไระไมไม่ไม่มีคำถามนะคะเพราะว่าที่ติดอยู่ก็แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะอหยิบยแล้วก็กิเลสของเราะแะเราไปว่าเขาก็ากิน ก็เราก็พอกับพอกับเขา่าถ้าเราไปว่าเขาถ้าเราเขากิเลสของเราอยากจะให้เขาทำรู่นทำนี่ให้กับเราใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกิเลสของเรานะค่ะโอเคนะยามทาใจยามรับปัสภาพนะมาเนดีก็ไม่มีร่างกายนี้ดีอย่างไรมีร่างกายเราอย่างสามารถไปทำอะไรตามความต้องการของเราได้อยู่ อย่าลืมบุญคุณของเราถ้าเราเกิดแล้วได้ดบได้ดีขึ้นมาก็อ่าเอาเงินไปให้เขาบ้างก็ได้ลดแต้มบุญคุณให้กับเขาอะเรายัางเป็นหนี้บุญคุณก็ อ, อยู่นะพวะาุเจ้าบอกบุญคุณของพ่อแม่ที่ต่อให้เราเลี้ยงดูท่านอย่างดีมีขนาดไหนก็ตามนะให้ให้ใหอุ้มท่านอยู่บนให้ท่านร่างอยู่บนหลายบนบาแลนะ้วให้สายอุจจาระสายเรา เราก็ยังไม่สามารถทดแทนบุญคุณที่ท่านมีกับเราได้ได้หมดนะอย่างั้นอย่าไปโกรธนะต้องให้อาภายัยเมตตาถ้าเราม่ีโอกาสที่จะทดแทนบุญคุณได้ก็ควรคว ร, ควรจะทําแล้วเราจะมีความรู้สึกมีความสุขใจภูมิใจไม่งั้นเราจะมาเสียใจในภายหลังนะว่าเราเป็นคนลูกอะไรลูกกระตั น, ตอนอยูอเมน ทังคนยังไม่รักไม่เขาเพะเพราะเพียงแต่พ่อแม่ไม่ทําตามที่เราอยากให้เขาทำทั้งนี้ใจน ะ, อ, ะอย่างที่นิทานจะบอกนะคนที่ฆ่าแม่พ่อแ ม, อแม่เอาข้าวไปช้าหน่อยแล้วข้าวมันอยู่ในในในอะไรมัน<อ>รู้สึกน้อยไปไ ม, ไม่ไม่พอกินการความอยากกินเยอะๆนเลยทําให้ว่าพระเอาเอาข้าวมาให้น้อยมาช้า ไม่ได้ทำตามความอยากก็เลยโมโหก่อนความโกรธขึ้นมาห้ามใจไม่ได้ก็เลยฆ่าแม่ตายพอได้สติกลับก็ร้องผมแล้วงไห้เสียใจพยายามพยา ย, ยามนึกถึงบุญคุณของท่านอยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่กล้าทำ้ายท่านนะมานนี้นะ โอเคอะที่สันโดษอสันโดษน โ, โมต่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต่อสายไปให้พระาจารย์คุยกับยายหน่อยคุณยายอยู่โรงพยาบาลครับพระอาจารย์น่าเนะงเวลาแล้วนะเึงเวลาต้องเข้านะแต่ว่าหนักหนักมากเลยครับอือพอดีอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้เข้าซูมครับพระอาจารย์พอดีว่าไป เข้าค่ายไปตั้งแคมป์ที่เชียงใหม่กับโรงเรียน mm hmm. แล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาก็เข้าซูมไม่ค่อยครอบก็ mm hmm. เลยไม่ได้พาคุณยายเข้า mm hmm. ผมกลับมาวันศุกร์ถึงถึงที่โรงเรียนเช้าวันศุกร์คุณพ่อคุณแม่ไปรับครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็บ่นว่าอยายอ่ะคืนก่อนที่ผมจะมาถึงอนระับบ่นปวดหลังมากเลยแบบปวดแบบปว ด, ปวดที่สุดในชีวิตก็ เลยตอนเช้าก็พาไปหาหมอพอพาไปหาหมอตอนแรกนึกว่าเป็นเพราะนั่งสมาธินานครับอาจารย์ปรากฏว่าหมอเขาก็เอ็กซเรย์กระดูกก็ปกติดีก็เลยไม่ได้คิดอะไรแต่ส่วนผมกลับมาผมเป็นหวัดครับอาจารย์ผมเลยไปเฝ้าใข้คุณยายไม่ได้แล้วคราวนี้เอ่อพอกลับมาเสร็จปุ๊บนั่งกินข้าวกลางวันกันอยู่ดีๆครับอาจารย์อยู่ๆคุณยายก็บ่นว่าอิ่มละแล้วเสร็จแล้วก็คอตก ครับแล้วก็ลํำลายไหลก็เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ก็ไม่ตอบก็เลยคนในร้านก็เลยพากันขึ้นรถพอพากันขึ้นรถเสร็จปุ๊บคุณยายเริ่มได้สติพระอาจารย์ก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาลสามนาทีเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบครับแล้วก็ระหว่างทางก็อาเจียนอาหารไม่ย่อยพอไปตรวจเลือดถึงได้รู้ว่าค่าตับเสพผิด ป, ปกติก็เลยพอไปอันตาา้าซ่าถึงได้รู้ว่า มีเนี้ยในถุงน้ำดีครับพระอาจากก็เป็นธรรมดาเราต้องคิดว่ามันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถึงเวลาของมันนะก็ดูแลกันไปช่วยกันรักษาไปทําได้ก็ทําไปออาใช่ทำไม่ได้ก็ต้องก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุลตามกรรมไปอาจารย์ก็ทุกคนวันนั้นก็วุ่นกันมากนครับอาจารย์ เกเรื่องเกิดกลางร้านอาหารตอนกลางวันก<ำ>็ต้องมีสติต้องฝึกสติไว้ตั้งสติแล้วก็รู้ว่าต้องทำอะไรก็ทำไปตามตามตามเหตุตามผลไปครับผมใช่แล้วก็พอคุณยายได้สติปุ๊บชื่อแรกที่คุณยายพูดคือ สุชาติอเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าอครับใจยายอยู่ไหมครับให้พัชชันคุยกับยายหน่อยยายเปลี่ยนอะไนี้อยู่โอ้ไมสะดวกโอเคโอเคไม่เป็นไรคุณยายคุณยายน่าจะไม่ได้คุยกับพัชชันไม่เป็นไรวะคุณยายให้พุทโธพุทโธไว้นะให้สู้นะให้มีกําลังใจสู้ด้วยพุทโธพุทโธ คุณยายฟื้นว่าคุณยายพูดคำแรกบอกสูชา่าสูชา่าเสร็จปุ๊บก็นโ ม, มแล้วก็เสร็จแล้วผมก็เลยบอกยายรีบรีบรบหายจะได้ไปพาไปหาป้าจันสูชา่า<ม>ขังคุณยายครับข้าวข้าวก่อนก่อนคุณยายถ้าได้สติขึ้นมาคุณยายจะเรียกเรียกนโมตอนนี้<ม><ม>เรียกสูชา่าก่อนแล้วก็เรียก<ม><ม>นโม แตว่าวันนั้นก็สติหลุดอยู่เหมือนกันครับอาจารย์มันตกใจว่าคือเราก็เตรียมใจอ่ะครับอาจารย์ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่เราไม่เลืกว่ามันคือมันไม่มีนิมิตหมายจริงๆครับอาจารย์มันต้องมีนี้ไหมก็มันแสดงให้เราเห็นมันมันไม่มีหมายแล้วแล้วเอานี่มินที่ไหนอีกอ่ะมันก็นี่แหละมันนี่มันก็บอกเราชัดๆอยู่แล้ว ภาพในหัวคือคือภาพที่เห็นตรงหน้าคือยายของตัวเองคือเรียกมาแล้วไม่ไม่ไม่ตอบอะครับอันเปอะไรที่เราไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นครับผมก็ไม่นึกก็ไม่พิจรารณาไงประมาณนี้พรูเจ้าบอกเราพิจรารณาความตายรักมาแลกกี่ครั้งนึกของตัวเองไม่ได้นึกของคุณยายนั่นแหละต้องนึกถึงทุกคนความตายมันมีอยู่กั บ, บทุกคนไม่ใช่ อ่ามาไงคุณยายมาแล้วเหรอเดี๋ยวคุณยายรู้สบายนะคะอ๋อเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วเนี่ยพูดได้แล้วนี่ดีเลยเป็นบอกว่าพรุ่งนี้ก็กลับแล้วค่ะออดีเดี๋ยาหลายนะคะอ่าใจเย็นๆพูดตรงไปนะค่ะอ่าดีมากคุณได้แข็งแรงพูดได้ค่ะขอตุดต่อแล้วค่ะอ่ พยายามรักษาใจด้วยนะรักษาใจสงบพุทโธพุทโธกวนนะจ้าจ้าจาจ้าจ้าจ้าจาจ้าจาจ้าจ้่จ้าจ้าจ้โจ้าจ้าพูดได้อย่างดีจ้าจ้าจ้อย้าจ้าจ้าจ้าจ้าอนาจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้นจ้า้นจ้า้าจ้าจ้าจราจ้าจ้าจ้าจ้าจันจ้าก้าจ้าไ้่จ้าจ้าจ้้า้าาจ้าจ้าจ้า้าจ้าจจาจ้าจมาจ้าจ้าจจ ก็ขึ้นขึ้นลงลงไปตามตามสภาพของมันเราก็ต้องดูแลคุณยายครับใช่ต้องดูแลคุณยายคุณยายก็เหมือนคุณแม่เรานี่ยแหละคุณยายถ้าไม่มีคุณยายคุณก็ไม่มีคุณแม่ไม่มีคุณแม่ก็ไม่มีเราอช่วงนี้เลยไม่ได้กราบเท้าคุณยายหลายวันละได้ไม่ต้องกราบไม่ต้องไปกราบที่เท้าแล้วนะกราบตรงนี้แหละ ก่อนนอนก็กราบครับนึกถึงคุณยายปกติก่อนนอนจะต้องกราบเท้าคุณยายคุณพ่อคุณแม่แต่เดี๋ยวนี้ฝอกเขาไปเฝ้าไข้ไปอยู่โรงพยาบาลผมไม่รู้จะกราบเท้าใครจะกราบนั่นแหละกราบที่ห้องห้องนั้นไม่กราบนั่งึกถึงเขาเพราถือว่าได้กราบเหมือนกันเข้าใจ ขอบพระคุณพระอาจารย์ทีเวตตาคุณยายรอวันพุธมาตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วจนเข้าลงบ้าบาลไม่มีอะไรแน่นอนไงเนี่กอดชองตายแล้วมัน่สดงให้เราเห็นชัดๆอยู่แล้วเอามาเอามาสอนเป็นบดเรียนนะบทเรียนสำคัญของใจมือตายแล้วไม่มีอะไรแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลา ว่าแต่พิจารณาของตัวเองเลยไม่ได้พิจารณาของคนอื่นด้วยเ mm hmm. ว่าแต่ <Yeah. S 2> คิดแต่กับตัวเองว่าเออยังไงเราก็ต้องตายยังไงเราก็ต้องตายลืมไปคิดถึงของคนอื่นได้มันต้องคิดทั้งเขาทั้งเรานะ yeah. อาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ครับอเคชคือไปได้คุณหมอภาสนาะคุณหมอ ก่กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ยังปฏิบัติทุกวันสม่ําเสมอนะคะพระอาจารย์แล้วก็ยัง <Okay. S 2> ทําหน้าที่ทางโลกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็ไปแล้วค่ะพาคุณพ่อกับตกลงไปให้คนแก่สามคนคุณพ่อแล้วก็แล้วก็ตัวโยนแล้วก็พี่หนุ่มเด็กไปไม่ได้ไปไปเลยนะคะจังหวัดนึยพาคุณพ่อไปทําบุญค่ะดีจะไปเลยนะรีบตกลงนะ <ไป S 1> เดี๋ยวตายแล้วนะทําไม่ได้นะคนหนื่นส่งไปก็ส่งไม่ได้นิดเดียว ทำเองดีกว่าทําเองก็ไปได้เยอะแยะเลยขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์สาธุคุณโอพีเกกลับถึงภูเก็ตแล้วเหรอนักกรณ์นัวัฒนการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าได้ยินเสียงไหมเจ้าค่ะได้ยินจ้าได้ยินยังอยู่นั่งอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าหนาวไหมที่นั่นหนาวตอนเช้าเจ้าค่ะแล้วก็ตอนค่าๆหนาวอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ S <S <S ช่วงหัรุ่งเจค่ ะ, คะแต่พอกลางวันร้อนเจค่ะอืมีอะไรไหมแค่นี้มีเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ตั้งแต่กลับมาอยู่หน้านี้เห็นไจรักชัดเจนว่าเจ้าคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าแตะเบรกไม่ค่อยได้เจ้าคะ่ะยังอดห่วงไม่ได้เพราะว่าพอกลับมาทั้งคุณพ่ อ, พอคุณแม่ก็ไม่สบายแคนิ่งเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ไม่มีสติไม่ไมีสติ <S 2> <S 2> พอที่จะหยุดที่เลน่ะเจ้าค่ะฝึกสติให้มากขึ้นฝึกสติให้มากขึ้น เจ้าค่ะอาจจะเพราะว่าปฏิบัติลดลงบ้างเจ้าค่ะพอาจารย์ตั้งแต่กลับมาอย่างนี้เจ้ค่ะด้วยภาระหน้าที่ที่แบบว่าทั้งงานบ้านงานอะไรอย่างนี้ด้วยเจ้าค่ะพาาอาจารย์แต่ว่ายามแย่งปฏิบัติเดี๋ยมันก็ยังฟุ้งร้างอย่างนี้เจ้ค่ะาาวันนี้ก็เลยต้องตั้งสัจจะไหม่เจ้าค่ะพอาจารย์ว่าต้องต้องทําให้ได้เชา้าอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ฝันนอนเั้งมหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้เจ้าค่ะพอาจารย์แล้วก็พย า, าพยามเจริญสติในระหว่างวันแบบพระอาจารย์เจ้าค่ะแต่ว่า อย่างช่วงกลางวันเนี่ยถ้าเราต้องใช้ความคิดแล้วก็ติดอยู่กับงานเนี่ยบางทีอย่างโอมีลานด้วยอย่างงี้เจ้าค่ะอาจารย์ช่วงนั้นอาจจะแบบเหมือนกับว่าเราก็ไม่ค่อยได้เจริญสติเท่าไหร่เลยเงนี้ยจ้าค่ะจะอาศัยการปฏิบัติช่วงเช้าเจ้าค่ะเพิ่งจะเริ่มกลับมามคือกลับมาเดินจงกรมได้เมื่อเช้าเจ้าค่ะอาจารย์ช่วงหัวลูกรอ่งนี้เจ้าค่ะก็ยังฟุ้งๆอยู่เจ้าค่ะก็ต้องพยายามมาเวลาให้ของการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ค่ะโ okay. อเคอานทงนี้ก่อนนะคนเยอ ะ, ะาราอยู่เวลาหมดไปเกือบครึ่งแนละ้ว ะ, ะไที่คุณคุณหมอสุทัศนีฮนะะมันยังเชื่อไม่ผิดนรมาสการท่านพระอาจารย์เจ้าคา่ะไม่มีคำถามแล้วค่ะโ okay. อเคเงินไปที่คุณเอกเชียงรายต่อคุณเอกว่ายังไรการรมาสการพระอาจารย์ครับผม อหน้าตาแปลกไปอะไรเป็นอะไรเหมือนเดิมครับพระอาจารย์ครับมีไม่มีผมมี <c oughs> เออก็พระอาจารย์ที่พระอาจารย์เมื่อสัปดาห์ก่อนพระอาจารย์ให้ผมไปฝึกตายลองตายก่อนตายครับอาจารย์อก็เมื่อวานเมื่อวานวันที่18แล้วก็ก็ลองดูว่าจะตายหรือเปล่าแล้มไม่ตายครับอาจารย์นั่ง7โมงคึ่งไปจนถึง มันสิบเอ็ดโมงครึ่งครับอาจารย์ mm hmm. ก็ได้เจอกับเพื่อนที่พระอาจารย์บอกว่าต้องต้องรับมันเวลาเพื่อนมาเยี่ยมคือเ ว, เวทนาอาจารย์เจอไปสองหุนครับสองหุนแล้วก็ช่วงแรกช่วงแรกก็ใช้สติกับคําบริกรรมครับอาจารย์กับบทสวดมนต์ไปก็มันก็เบาไปหายไปอีกชุดหนึ่งก็ามามาอีกชุดหนึ่งก็ก็ เขานี้ลองลองใช้ปัญญาพิจารณาที่อาจารย์ได้สั่งสอนไว้ครับที่ว่าคิดว่าเวทนามันเป็นธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกอะไรประมาณเนี้ยครับก็พิจารณาไปมันก็เบาไปครับอาจารย์ก็อยู่ได้ไม่ทุกข์ใจครับก็อยู่อยู่ได้ไม่ทุกข์ใจก็เหมือนกับว่าเออเวทนาเขามีหนะ้าที่ยิงเขาก็ทําของเขาไปอย่างนีครับใจก็หยุดสนใจเราไปส ก, กัดกั้นทําไม่ได้ ครับก็ก็ยอมอยู่เย็นของพระอาจารย์ไปก็ก็อยู่ได้ก็ก็ไม่ไม่ไปทุกข์ใจกับมันมากเท่าไหร่กับพระอาจารย์ครับได้ฝึกไปนี่เรื่อยๆนะมองทุกอย่างให้เห็นเป็นอนัตตาให้ส้าเพธรรมานัตตาครับครับก็เลยวันนี้ก็เลยมากับในงานพระอาจารย์ได้รับทราบอนี้จากปฏิบัตินะครั บ, อรบตอนนี้ตอนนี้ผมหายไปแล้วเหรอไ ก็ตัดตัดสั้นนิดหนึ่งครับอาจารย์มันง่ายนี่ครับอาจารย์เสัสะดวงนะไม่มีผมไม่ต้องไม่ต้องทุกกับมันครับผมต้องทุกกับผมใช่ไหมถ้าผมแท่ครับเพราะตอนนี้ก็คือไม่ต้องไปร้านตัดผมอฮะให้แม่บ้านหรือคนตัดให้ก็มันสะดวกดีครับอุ้มประหยัดประหยัดเวลาประหยัดเงินประหยัดท่าครับก็ตั้งแต่มาปฏิบัติมากน้อยสันโดด เออที่อาจารย์ได้สั่งสอนไว้ก็ปีนี้ก็แทบจะไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ครับอาจารย์ครับก็มีอะไรก็ใส่ใส่ไปครับอาจารย์ก็มันก็มันก็ได้มันก็ดีอยู่มันก็ไม่ใช่อะไรครับมันเสื้อผ้าก็แค่เสื้อผ้าจะใหม่หรือจะเก่ามันก็เสื้อผ้าเหมือนกันแล้วใช่ไหมคำคำก็เหมือนบทสวดที่ว่าเออเพียงเพื่อปกฟิดเอาไว้แล้วร่มและรมแดดและสัมผัสนนั้ ก็ห้ก็ท่องไว้เออมัก็แค่นั้นก็นรับอย่าโยมควรจะพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนจะใช้ว่ามันมีประโยชน์เพื่ออะไรมีไว้ใช้เพื่ออะไรปฏิสังขาโยนิโสเลยครับครับครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเข้ามากลับแล้วฟังอาจารย์แล้วก็อาจารย์มีให้เพิ่มเติมอะไรไหมครับไม่มีหล้วก็ ก็ดีใจที่เห็นถ้าผมน้นลงมันแสดงว่ามันก้าวหน้าแล้วการปฏิบัติก้าวหน้าใกล้แล้วนะครับถ้าผมสั้นลงมันก็ใกล้กันไม่ได้เรื่องคครับผมครับผมต่อไปงานจะไปปิดเวรอยู่คนเดียวนะครับผมครับโจกลับขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่ได้ถังสอนครับผมครับผมขอท่านจำพระอาจารย์ถึงอะไรครับผมสาธุครับ คุณนพวรรณจันจเพื่อนคุณอ้อมใช่ไหมใช่กลับมรสศการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มาฟังธรรมค่ะวันเกิดอ่าวันนี้มันเกิดนะอยากจะได้วันไม่เกิดนะอ่าเรไปเยี่ยมอาจารย์ใหญ่เรื่อยๆน่าจะไปปีหน้าอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะรู้สึกเป็นย่ะ่าะาองน่รู้สึกเป็นงไงเฉยๆไม่ไม่ไม่กลัวอะไรนะ ครั้งหน้าน่าจะเป็นการทวนยานนะคะพระอาจารย์คือคือคือเขาจะให้เราดูก่อนดูดูอาจารย์ใหญ่ก่อนแล้วก็<อ>เหมือนเหมือนจะมีการสัมผัสด้วยแล้วก็ดมกลิ่นก่อนให้ให้ให้แบบเหมือนเราจิตเราจะปรุงไหมถ้าเกิดเรานั่งนั่งสมาธิให้ติดตาดอ่ะได้ยินมาแบบนั้นแต่ว่าหนูยังไม่ได้โทรไปสอบถามรายละเอียดแต่คิดว่าไปปีหน้าน่าจะไปกับพี่อ้อมเหมือนเดิมค่ะ ก็ดีจะให้ฝึกให้จิตให้มีสติเข้มแข็งขึ้นเพรธรรมดาถ้าอยู่ที่สบายๆสติมันไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่ ม, มันต้องมาอยู่ในที่ที่มันขับขันที่มันบีบบางค้งัมงพยาราต้องใช้สติต้องต้องไปลองดูว่าไม่รู้ว่าครั้งแรกฟุ้กหรือเปล่าแต่เนี่ยจะกอาจารย์บอกทำบ่อยๆก็ได้ท้า้มันยังั้งมั่นใจว่าไม่มีปัญหาแนละ้ว <Okay S 2> ไม่มีคำถานะมมีคำถามนโอเคยนไปที่อุดรต่อคุณแนนก <c oughs> สการ่าพระอาจารย์นี่มีคำถามค่ะโ okay. อเคยนไปที่เปิดบังวะลายศิรราชาชนบุรีา ก, การนมสการพระอาจารย์เจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขามีหนูหนูเคยหนูเคยได้ดูเหมือนเขาเขาแชร์กันนะคะว่าถ้ามีท่าน มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าถ้าไปกราบพระอรยิยะสงฆ์เราได้ใส่บาตรได้ใส่ปัจจัยเงี้ยค่ะแล้วก็จะถือว่ากรรมจะหมดเลยเงี้ยค่ะซึ่งทางชนบุรียหนึ่งในนั้นก็มีพระอาจารย์ด้วยแต่ว่าหนูมาพิจารณานะคะว่าแค่ใส่บาตรแล้วก็สวัยปัจจัยไม่พอค่ะคือถ้าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยสามสี่ปีที่ผ่านมานี่หนูน่าจะหมดกรรมแล้วหนูยังร้องรุ่นรอนอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่หนูได้จากพระอาจารย์คือ เวลาพระอาจารย์สอนนะคะแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วมันก็ทําให้ความความทุกข์ถึงแม้มันจะยังไม่หมดร้อเอร์เซ็นะคะแต่ว่าเราเราเห็นทุกข์แล้วเราก็ไปไปปฏิบัติเรียนรู้อะค่ะอันนี้หนูถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดกับเขาพระคุณอะพระอาจารย์นะคะเอ่าหมดกรร<ช>มต้องไม่มาที่ก็ต้องไม่มาเกิดท่านน่ะมันถึงจะ ห, หมดกรรมค่ะไม่อยากมาเกิดแล้วละค่ะ แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะมีกันบ้านพิเศษค่ะพรุ่งนี้จะเป็นสตาปารป์ตี้ของที่ที่โรงแรมนนแล้วก็หนูเตรียมทํากันบ้านไว้แล้วค่ะว่าถ้าหนูไปหนูจะทํำอะไรซึ่งซึ่งในงานอะ่ะหนูต้องเต้นมันเป็นแมนจ์เมนต์โชด้วยค่ะแต่หนูรู้ว่าหนูต้องทําไปเพราะอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับแบบตัว <ทำ S 2> ละครเป็นตัวละครไปแล้วค่ะแล้วก็จะพิจารณาคงกระดูกอะไรฮนะซากศพของพนักงานค่ะแล้วก็ที่พิเศษก็คือ ตัสินใจว่าไม่ได้กลับนะคะเพราะมันค่อนข้างดึกก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปพักที่โรงแรมตรงที่บ้านอำเภอค่ะแล้วก็เพื่อที่จะตื่นเช้ามาหรือว่าตอนก่อนนอนหานั่งสมาธิเราก็ลงมาใส่บาตรได้เลยเจ้าค่ะก็ดีก็ดีอ่ะก็ออออขอบพระคุณคำของพระอาจารย์นะคะเมื่อวันก่อนปีแตกเราร้องไห้พอกลับมาปุ๊บแล้รู้สึกว่าเราต้องมีสติมากกว่านี้ค่ะ แล้วก็พอเวลาไปวัดอะค่ะก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้นั่งภาวนาวนแล้วค่ะคจริงพวกเราเป็นตัวละครมันอย่าไปจริงเอาจริงว่าจันเราไป ม, มากเกินไปนะค่ะแต่พยายามค่ะไม่มาเกิดอีกแล้วค่ะหนุต้องทําให้ได้ค่ะขอบคุณจ้ะค่ะโอเคที่คุณยินดี Kansas เป็นยังไงหนาวไหมก็ยังหนาวอยู่ค่ะถ้าอาจารย์<ม>ก็จะมาบอก ก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะท่านอาจารย์อทิตน้าคงไม่ได้เข้าอะค่ะท่านอาจารย์อทิตน้าเดินทางไปฝรั่งเศสค่ะท่านอาจารย์ทําวีซ่านะค่ะอแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหนูเข้าได้หนูก็จะเข้าอะค่ะก็เลยดูก่อนนะคะว่าจะเข้าได้ไหมเพราะว่าหนูก็ไม่รู้อ่ะมันจะได้หรือไม่ได้ก็ง่ายอนไม่ต้องกังวลค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วก็เดวิดฝ่าฟังคิดถึงท่านอาจารย์แล้วก็บอลซองเต้นเหมือนเดิมค่ะ เมื่อวานเมื่อวานเขาก็ถ้าอาจารย์เมื่อวานเขาก็วันพระเขาก็ไม่ได้ทานอาหารเย็นใช่ไหมคะถ้าอาจารย์คือตอนนี้ก็เป็นปกติเขาแล้วเขาว่านั่งสมาธิแต่นั่งสมาธิเนี่ยเขานั่งไม่ได้แบบคือเขาเหนื่อยแล้วเขาก็สับประโคแล้วเขาก็หัวล้าตัวเองแั้นหนูก็เลยบอกว่าเอเขาก็บอกว่าเออมันมันไม่ได้แล้วมันต้องฝืนไหมหนูก็เลยบอกว่าก็ถ้าอยู่ฝืนะอยู่ฝืนได้ไหมล่ะ เขาเขาบอกว่าเขาจะลองแต่คือเขาสับมันงงหนูก็คิดว่ากายเขาไม่ให้หนูก็เลยหนูเลยบอกว่าถ้างั้นก็ไม่ต้องก็ได้ก็พรุ่งนี้อยู่ก็คัมเพเซ์ไปอันนี้ถูกต้องไหมคะท่านอาจารย์หรือยูต้องให้ฝืนเนไหมท่านอาจารย์แล้วแต่เขายังบังคับของอาจารแล้วแต่ตัวเขาก็จะทํำยังไงฝืนได้ก็ฝืนฝืไม่ได้ก็ไปชดเชยที่หลังก็ได้ค่ะถ้านท่านอาจารย์หนูก็เลยเอ๊อเออมันควรจะฝืนไหมหรือลรือแบบ นควรถ้าฝืนได้ก็เลยก็เกินลุกขึ้นมาเดินจนงกลมแทนหรือเอาน้ํามาล้างหน้าอะไรต้นให้มันตื่นขึ้นมาว่าแล้วก็ถ้าอยากจะฝืนในพระไตรปิฎกท่านก็แสดงไว้ว่าเอถ้ามันง่วงจริงๆก็ลุกขึ้นมาเอาน้ําลุกหน้าลุกตาถ้ามันยังง่วงอยู่ให้เดินถอยหนัง<อ>แอ่แต่มันสมควรที่จะต้องฝืนถูกไหมคะไม่ใช่มาคอ m p e นเ a t ก็ถ้ามันเป็นฝืนได้ก็ดีแหละเพราะนี่คือขันติความอดทนความเพียรพยายามวพยะค่ ะ, ค ะ, คะหนูก็เลยแบบค่ะถ้าอาจารย์ลูกขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มันไม่ไหวจริงๆก็พระบิณฑบาก็บอกให้ไปนอนพักสักก่อนถ้าก่อนจะนอนก็ตั้งสติไว้พอรู้สึกตัวก็จะลุกขึ้มนมาปฏิบัติต่อค่ะท่านอาจารย์ค่ะนั้นเดี๋ยวคราวหน้าหนูบอกให้เขาฝืนแล้วก็ไม่ต้องคอนเพิรเสรค่ะท่านอาจารย์ ถ้าทําได้ถ้าทาไม่ได้ไมันแล้วไปอ่ะ อ, อ, อย่าไปทําให้เขาเครยียดก็แล้วกันเนี่ยหนูไม่ค่ะเพราะว่าคือทุกวันนี้คือเข้ามาด้วยตัวของเขาเองเอก็เลยคืออ่ะเขาบอกเองค่ะว่าเขาจะนั่งหนูก็บอกอนั่งก็นั่งไปแต่ถ้าเกิดไม่นั่งก็ไม่นั่งขึ้นหนูหนูไม่บังคับค่ะเพราะว่าคือถ้าเกิดเราบังคับหนูกลัวว่าคือเขามาได้แค่นี้หนูก็โอเคแล้วคะ่ะอาจารย์ ที่กลับเป็นของของเก็โอเคสําหรับท่าอาจารย์คือเขาก็ไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ก็อย่างนั้นเขาก็มีความพยายามนะค่ะปล่อยเป็นไปตามอัธยาศัยก็แล้วกันค่ะท่าอาจารย์ลูกขอบคุณมากค่ะที่น่อาจารย์เมตค่ะแล้วก็ขอบคุณอย่างสูงค่ะบอนซองเต้เหมือนกันอ่ามซีโบกูเหมือนกันนะเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณ แม่น้ำเหมินตาไม่น้งเหมินต์แม่เ <พา S 1> อ่ามาแล้วเสียงมาแล้วพูดไปขาจารย์ยหายสัญญาณไม่ค่อยดีมั้งสัญญาณของมอ่สัญญาณผมญญณไม่ค่อยดีขาดขาด ห, หายห<พ>ายเจ้าขาพระอาจารย์อ่าพูดได้นะฟังได้นะมีอะไรจะพูด <c oughs> ก็พูดเลยเสียงไม่นชัด เอ่เอไงั้นไม่ต้องพูดกันแล้วกันคนะฟังไปแ ล, แล้วกันนะอโอเคเอา่าไปที่คุณสุภัสตาอันนี้อยู่ที่ไหนอยู่เท็กซัสแล้วอยู่เงไทยกลับนมรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้กลับมาที่เท็กซัสแล้วเจ้าค่ะไปดูคุณพ่อคุณแม่ไปครอบครัวที่เมืองไทยมาเจ้าค่ะเลยไม่ได้เข้าอืมอ <laughs> <laughs> ก็ ไม่ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้มีเวลาปฏิบัติตามรูปแบบไม่ได้นั่งสมาธิเลยเจ้าค่ะเป็นเกือบเป็นเดือนแล้วรู้มีรู้สึกว่ามีผลตต่างกันไหมต่างเจ้าค่ะสติน้อยลงแล้วก็ความอมดทนน้อยลงจิตฟุ้งมากเจ้าค่ะเห็นนะเห็นต<ค>ัวเห็นช้าเจ้านะค่ะ เห็ชเจ้าค่ะสามีก็บอกดีใจที่ได้กลับมาเท็กซัสเพราะว่าเห็นลูกได้เข้าฟังพระอจารย์วันนี้เขาก็ดีใจนะคะว่าได้กลับมาเหมือนเดิมเจ้ค่ะแต่ก็พยายามเจ้าค่ะไม่ไดไม่ประมาณจิ่งไม่ได้นะธรรมะการปฏิบัติเนี่ยริงแล้วจิตมันเสื่อมลงทันทีเลยอใช่เจ้าค่ะใจเจ้าค่ะคือถึงแม้ว่าจะอยู่ใน แบบอยู่ในทางโลกแต่ถ้าเราไม่ไม่ปฏิบัติแล้วก็ทิ้งทิ้งการภาวนาก็ไปได้เจ้าค่ะไปได้ตลอดเวลาเลยหลุดได้ตลอดเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะกำลังก็น้อยลงเจ้าค่ะเห็นเห็นชัดเห็นชัดเห็นทุกอย่างเห็นว่าการฝึกกับการไม่ฝึกมันต่างกันมากเจ้าค่ะเจ้าค่ะดูดูเตือนใจเจ้าค่ะลูกเจ้า เจ้าค่ะเมื่อก่อนที่ลูกยังไม่เคยฝึกลูกไม่รู้เลยว่ามันมีความต่างแต่พอได้ฝึกแล้วเราพอพอไปอยู่ทางโลกสัมผัสทางโลกมากๆมันเห็นความต่างชัดเลยเจ้าค่ะมันก็เลยทำให้รู้แล้วว่าการฝึกสำคัญมากเจ้าค่ะ mm hmm. อยู่ทางโลกก็อย่าทิ้งต้องมีเวลานั่งสมาธิแล้วก็ต้องพยายามฝึกสติบริกรรมตลอดเจ้าค่ะนะคะลกก็ได้กลับมาก็ก็จะพยายาม พยายามฝึกต่อเพื่อเพื่อถ้ากลับไปทางโลกก็จะได้มีกําลังเจ้าคะ่ะรู้ว่าครั้งที่แล้วกําลังน้อยเจ้าคะ่ะนี่กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าคะ่ะสาธุจ้ะคุณมาเลยเชิญมาเลยจ้ะหลวพ่อคะ่ะหลวก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะเออหลวงพ่อได้ยินหลวงปู่คะได้ยินชัดเจน ข อ, ขอถามต่อจากคุณหมอพี่เชษนะคะ ท, ที่ว่าฐานของจิตของใจอันนี้มันคือความหมายเดียวกับ เ, ออเครื่องอยู่วิหารธรรมหรือว่าเข้าจิตเข้าข้างในใช่ไหมคะหลวงพ่อมันคือความหมายเดียวกันใช่ไหมคะใช่ความสงบก็คือเครื่องอยู่ของจิตค่ะแล้วการที่เราจะรักษาเครื่องอยู่หรือว่าความสงบหรือว่า บ้านของใจอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็ต้องอาศัยสมาธิเอสมาอาศัยสติที่มันต้องเยอะๆอยู่ถูกไหมคะหลวงพ่อแล้วต้องเข้าสมาธิได้นั่งสมาธิแล้วจิตต้องสงบได้ก็คือต้องอาศัยกําลังสติอยู่ตลอดถูกไหมคะหลวงพ่อพอพอมันพอมันเข้าพอเรารักษากเครื่องอยู่หรือว่า ฐานของจิตตรงนี้ค่ะหลวงพ่อมันก็จะพาเราไปสู่เ อ, อสมาธิหรือว่าสู่ความสงบ ต, ตามลําดับชั้นแต่ทีนี้นถ้าสมมติว่าเราเราไม่รักษามันก็อาจจะเสื่อมได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อได้ถ้ามันอยู่ในขั้นสมาธิขั้นสติแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้ามามันก็จะไม่เสื่อมถ้าเราใช้ปัญญารักษาความสงบไว้ได้มันก็จะไม่เสื่อม แต่เบื้องต้นถ้าเราใช้สติอย่างเดียวมันยังเสื่อมได้เราเพิ่มสติบ่อยให้ใจคิดปรุงแต่งเนี่ยมันก็ปรุงสร้างกันมาได้แต่ถ้าสมมติว่าเราได้สติแล้วได้สมาธิแล้วเราบางใช้ปัญญารักษาให้มันสงบนี่มันจะสงบอย่างถาวรแล้วอันี้มันจะไม่เสื่อมแล้วถ้าเราเราใช้ปัญญาบ่อยๆประกอบกับเออ สติตรงนี้ค่ะเพราะมันก็จะคัดมาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมไคะใช่มันก็จะกาจัดกิเลส ต, ตัวที่ทําให้ใจเสื่อมลงไปได้หมด ไ, ได้ได้ตัวที่ทําให้ใจเสื่อมก็คือกิเลสเนี่ย ค, ความโลภความโกรธความหลงเวลาไม่มีสติมันก็แม่มันก็ปล่อยให้กิเลสออกมาทํางานพอ ม, มีสติแล้วก็กํากับควบคุมบังคับมันไม่ใหมาทํางานกิเลสมันอาศัยความคิดเนี่ย แต่ถ้าสมมติเราควบคุมความคิดได้แนละ้วควบคุมกิเลสได้แนละ้วดดนะขั้นต่อไปถ้าอยากจะให้กิเลสตายก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่กิเลสอยากได้ว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตามันก็จะได้ไม่อยากได้พอไม่อยากได้นะ แ, ลแล้วก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรมาทําให้ใจเราเสื่อมได้แนละ้วแล้วถ้าสมมุติว่าเราใช้ปัญญาไปแล้วคะ่ะ ทีนี้มันถ้ามันยังมีความฟุ้งเหมือนที่พี่ๆถามกันมาเมื่อสักพูนหลายท่านนะคะก็คือเราก็ต้องกลับมาอยู่ที่สมถะหรือว่ากลับมาที่ใช่ที่ขึ้นใชต้องกลับมาภาคจิตก่อนนเพราะนั้นมันไม่เหมันไม่เป็นปัญญาแล้วปี่เหลียนมันเอามาหนึ่งความคิดไปใช้ทางปิเลีแล้วมันก็เลยฟุ้งถ้ามันเป็นปัญญามันจะไม่ฟุ้งถ้ามันฟุ้งมันต้องหยุดต้องหยุดพิจารณา แล้วก็มามาทําใจให้ฉันก็คื อ, ก ล, อกลับไปที่สมาธิตั้งสติอีกเหมือนเดิมถูกไหมเหมือนตอนต้นที่คุณตั้งเขาเล่าให้ฟังเขาเขามีปัญหาพยายามจะใช้ปัญญาแก้ไม่ได้ยิ่งฟุ้งใหญ่เขาก็ต้อกลับเข้ามาสมาธิก่อนพอได้สมาธิแล้วออกไปใหม่ไปแก้ปัญหาใหม่ก็แก้ได้มั น, ม, น, ม, นมันก็จะเป็นเหมือนวงเขาเรียก มือนดับสลับกันสลับกันทํางานถ้าทํางานแล้วเหนื่อยฟุ้งก็พักในสมาธิเหมือนเราทํางานตอนเอาไปทํางาน ท, ท, ที่ทําที่ทํางานเย็นแล้วก็ต้องกลับบ้านกินข้าวพักผ่อนหลับนอนแล้วพอมีแรงเราก็สู้ใหม่กลับไปทําใหม่ต่อถ้าเราทำยี่บสี่ชั่วโมงไม่ไม่มีพักผ่อนหลับนอนก็สู้ไม่ไหวทําไม่ไหว ้นถ้าถึงอยู่ขั้นปัญญาแล้วมันจะสลับกันทำงานกับกับสมาธิมันเป็นเจรินแล้วรู้แล้วเริ่มฟุ้งแล้วไม่เห็นตจรักแล้วไม่ไม่ไม่สงบแล้วก็ต้องหยุดแล้วกลับไปทำสมาธิก่อนเข้าใจแล้วค่ะโอเพ่อครับค่ะเดี๋ยวเ่าอธิจานเนี้ยค่ะที่จะถึงนี่หนูจะไปปฏิบัติที่เขา นี่นะนี่ไปยังไปเรื่อยๆนะไปบ่อยๆที่ไหนก็ได้ดี่ว่าอยู่ที่บ้านค่ะอยู่บ้านมันมันมีหลายๆอย่างทำให้ฝังไปค่ะแล้วมันทำให้เรามีความกังวลคือใจมันอยากปฏิบัติแต่ว่ามันมีอย่างอื่นเข้ามาเข้ามาฝังค่ะเัพอะค่ะอีกนี้นะคะแล้ว ตอนตอนตอนเนี้ค่ะหนูพ่อมันจะตัดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นที่ออฟฟิศเขาจะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์นี่เลงคือหนูปฏิเสธหมดเลยคือมันหักไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูพ่อมันมันดีทางทําแต่ว่าทางทางโลกอะ่ะมันเหมือนเขาก็ว่าเราไม่ไม่ให้ความร่วมมือแต่หนู ก, ก็เลือกทางเนี้ยค่ะแล้วก็แปลกแยกเราก็เราก็กลายเป็นคนแปลกแยกไปใช่ไหต่อไปอยู่กับเขาคงจะลําบาก ว่ามันไม่ม ไ, ไม่ไปไม่เป็นคนเดียวค่ะหลวงพ่อเป็นคนเดียวด้วยค่ะคื อ, อไม่ไม่เอาเลยไม่ไปเลยอะค่ะหลวงพ่อก็ดีถ้าเรามีความมั่นใจมีความแน่แน่ก็ไม่เป็นไรไม่เราไม่ได้อาศัยเขาพาเราไปเราต้องอาศัยการปฏิบัติของเราพาเราไปค่ะหลวงพ่อวันนี้มีประมาณเท่าไหร่ะค่ะหวันนึ่องอาจาจะต้องแยกทางกันก็ได้เมื่ออยู่ร่วมกันไม่ได้ วนนะ้นตอนนันันนั้นก็ต้องไปบวชชีแล้วอยู่กับพวกเดียวกันดีกว่าใช่ไหมอยู่กับพวกที่ชอบปฏิบัติดีกว่าก็ยังไม่มีปัญหาเลยไปอยู่พวกที่เขชอบกินเหล้าเมายาวก็มีมันก็มีปัญหาหนูหนูหนูรอเวลาหาโอกาสคือมันเหมือนลุ้นอยู่อะค่ะหมือนว่เมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรนะคะแต่ว่าหนูก็ต้องฝึกฝึกพลัง ก็เตรียมตัวก่อนเตรียเนี้ยอะก่อพอถึงเวลาก็ไปได้เลยดีโอเคแต่แต่ก็มีความสุขตรงที่ว่าเออตัดสินใจเลือกแล้วอะไรเนี้ยค่ะหลวงพ่อไม่ต้องมาถือของหนักเอาไว้ะค่ะหลวงพ่อไม่ลังเลยนะหลวงพ่อก็สองจิตสองใจทางโลกทางธรรมยังทําไหรดีค่ะหลวงพ่ออไม่ไม่ลังเลยค่ะมั่นใจแล้วก็หนักแน่นค่ะไม่ทิ้งค่ะไม่ถอย ดีมากสาธุสาธุสาธุอ่ า, าขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะอ่าอ่าคุณ น, น้น้องเชิญคุณน้องน้องถามนส้ส ก, กางค่ะหลวงพ่อเออพอดี่ิยงกำลังพิจารณาเรื่องเมื่อวานอยู่พอดีเมื่อวานมีเรื่องที่เข้ามากระทบใจว่าเหมือนเรามารับทราบว่าคนคนห น, นึ่งเขาไม่ได้บอก บอกเรื่องราวที่จริงกับโยงแล้วถ้าเราเราทราบมันเหมือนแับเคิื่อ้นขึ้นมาว่าเออเราเสียใจเสร็จแล้วเราก็คิดทันทีเลยว่าเนี่ยเราเสียใจเพราะเราไปคาดหวังว่าอยากให้เขาเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วโยมก็ตัดทันทีเพราะเราเหมือนพิ่เจ้านียปุ๊บระวางปุ๊บว่าทำ <c oughs> ไมอยากคาดหวังให้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นเราก็เป็นทุกข์เองนะคือเขาเขาไม่อยากจะบอกเราอ่ะเราจะไปคาดหวังว่าอยากให้เขามาบอกเราเนี่ยแล้วเราก็มาเป็นทุกข์ พอยองคิดอย่างนี้ได้ยองก็ก็วางเรียนเะหัวใจแล้วยองก็รู้สึกว่าเออก็ก็ ก, ก็ก็สบายใจก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เวลาเราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยมันคือปัญญ า, าปัญญาปลักใช่ไห ม, มปัญญาเห็นเห็นเสายลับเห็นปิเลตเห็นความหยาของเรานคือยอแบบคิดเลยว่านี่แหละทุกอ่ะมันเกิดเพราะไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่บอกเราแต่เราอบบไปอยากให้เขาบอกเราอืม เออเราอย่างอเราไม่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปหวังอะไรจากเขาไม่ได้เสมอไปน่เพราะว่าเอ้เรียกว่าถ้าเอ้เวลาเราคิดได้อย่างนี้คือเรากําลังใช้ปัญญาหรือมันเป็นสติตรงกันนะครับปัญญาออืถ้าสติก็พุทโธพุทโธไปดูลมไปก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยพอเราอย่างนี้ได้ก็อให้นารยาสานะทุกข์ก็จากความอยากของเราใช่ไหมใช่ก็คือพอตัดความอยากได้ทุกข์ก็หายไป เงี้ว่าบางเลยว่าเออมีดวงตาเห็นทำแน้ะในระดับหนึ่งแล้วในระดับเกี่ยวกับคนคนนี้แะ้ต่อไปเราก็ไม่หวางอะไรจากเขาล้วแต่ไม่ก็ทั่งบางเรื่องเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโยมเราฟังอย่างอย่างไม่ก็ทั่งคุณพ่อคุณแม่เราฟังเราไม่สบายใจเสียงพระอาจารย์จะเข้ามาทันทีว่าเขาได้ถามควาเห็นเราหรือเปล่าบางทีเราอยากจะแบบพูดออกไปนะเราคิดอบางทีไม่ได้ถามความเห็นเรานะคืออยากจะให้เราฟังอย่างเดียวเธอฟังเราก็ฟังไปแล้วมัน แล้วแล้วก็มันจะไม่แบบไม่งั้นแต่ก่อนยมจะต้องแบบพยายามอธิบายนั่นีพอก็ไม่เห็นด้วยกับเราแล้วก็ทําไมละ่ะทำไมถึงเราหวังดีนะเราอย่างนั้นอย่างนี้กลายเป็นว่าเราเนี่ยแหละทุกข์เพราะเราอยากให้ยายเข้าเข้าใจเราแต่ในขณะที่เขาก็อยากเหมือนกันว่าทําไมเราเป็นลูกเราไม่ฟังเขามันก็เลยกลายเป็นไม่แต่แต่เขาไม่ฟังเราเลยก็ไม่ฟังแต่กลายเป็นทุกข์เขาคิดว่าเออ ่างคนต่างใหญ่ก็พูดพูดสลงไง่ายๆไม่มีใครอยากฟังของใครเพราะทุกคนคิดว่าความคิดเราเนี่ยอถูกต้องยมก็เลยไปร้าก็คือตอนหลังก็อ่านเมนแต่จะถามก็จะให้ความเห็นไม่งั้นก็รับฟังใช่ไปใช่ไปดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เบาเหมือนกับไม่ไม่ต้องมีการมาโอ้โหไม่งั้นต่างฝ่ายต่างดึงนะ้ําน้ำทั้งเจ็ดสายมายอมหยุดเยันเงี้ยสุดสามยอแต่ว่าจริงพอยม เนี่ยจุดตรงเนี้ยที่บอกว่าเออเพราะเราไปอยากให้เขาอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่เขาอย่างนี้เนี้ยจุดตรงนี้เลยอาจารย์พายโยมอนเห็นก็คิดว่านี่แหละทุกเรื่องมันเป็นแบบนี้แหละอัลยัสสัตเศส น, นีเห็นทันะ้งเห็นธรรมนะมีดงดายเห็นธรรมนะก็โอ้ทนี้แหละใช่เลยแบบพอเรานนั้นนะเราเข้าใจเลยแล้วมันก็วางแล้วมันก็แค่นั้นแหละเพราะมันมันไม่มีตัวตนเขาคือซัำไปพยายใช้กับทุกอย่างร่างกายของเราก็เหมือนกัน แก่เจ็บตายก็ห้ามมันไม่ได้หวังงานจากมันไม่ได้ใช่มันนั้นที่ยมเจอไปทนะยมพหายแต่ยังพยายามอยู่เลาเจะไปชนะว่าทุกเหมือนกับฟังมาหลายผลก็พยายามจะเอามาใช้ว่าทุกไอ้นี่ที่ปวดขาเนี่ยมันกาหนดแค่รู้แหละแต่ความอยากอยาให้มันหายมันเลยทุกการที่มันหายมันยิ่งเหมือนกับว่าเออความเหมือนกับอะรนะสมุทัยคือความอยากให้มันหายนี่แหละที่ทาให้เราทุกข์หนักควมอยากหนั่หกับาออความทยคือความอยากหายแหเราทุกขหนักวอ่งร่างความกหาย คือมันก็เลยว่าต้องพยายามลไล่ตรงนี้แหละความอยากที่ทำให้มันหายใช่ถ้ามันอยากอยู่ไม่หยุดก็ใช้พุโทโธพุโทโธส ก, กัดอะไรก็ได้อย่างนั้นค่ะก็เนี่ยเลยพยายามพัฒนาตรงนี้อาจารยว่าต้องขยายามปกติเราไม่พ อ, ไ ม, พอไม่พอที่จะหยุดมันบางเรื่องพอก็หยุดได้บางเรื่องไม่พอก็หยุดไม่ได้อืมพัฒนามเห็นก็ก็ตัวเลยรู้สึกว่าเออมื่อวานเหมือนเห็นขึ้นมาตรงนี้เลยว่า เนี่ยแหละทุกมันมาเพราะอย่างนี้ก็เลยจะมาถามเออเนี่ยคือปัญญาใช่ไหมไม่ใช่แบบแค่สัญญาที่เราท่องๆมาเนาะก็เลยรู้สึกดีเขาเห็นชัดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สบายใจต <laughs> ั้งแต่มาแล้วพอ เ, เกิดเรื่องวางปุ๊บก็คิดได้เปัญญาไม่ใช่กับทุกเรื่องอันนี้แหละวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องของการในปัญญา อ, อ, อ, อ, อ, อยู่เยาจะแก้ได้หรือเปล่าท่านนี้ หลักๆคือความอยากทั้งหลายความไม่อยากด้วยเหมือนกันเหมือนที่ท่านใช่สามอยากอยากอยากอยากเสพเลือกเสียงินลดอยากเป็นอยากมีอยากไม่เป็นอยากไม่มีสามตัวนี้ทั้งนั้นเลยอืออกยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เาเป็นอย่างงี้หรืออยากให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนี้มันก็ตัวท่านความทุกข์ใจเราทันทีใจเราจะทุกข์ไม่เหมือนกันีช่ค่ะก็ไม่มีอะไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้โยมจะไปอยู่ที่เขาเขาทางเว็บ ในครั้งแากกเต็มสี่วันคันนั้นลองล<ะ>ดูได้ค่ะจะไปลองดูดสาธุกาบธรรมสารกับอคุณนันท์ทเเจอเมื่อกินนี้เข้ามาภาษาอังกฤษกันนภาษาไทยนะกบาบนรมักการเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมได้ยินเสียงไหมคะได้ยินจ้ะ อ๋อคืนคืนเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษค่ะเพิดเผื่อจะได้คุยกับสามีให้เขาฟังทำมาเจ้าค่ะเข้าใจดีเข้าใจไหมเข้าใจามั่งไม่เข้าใจมั่งเจ้าค่ะดีต่อไปจะได้พูดได้พูดได้เอกมาคุยกับสามีได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะโอเคไปเรียกมันนิกาดาราที่ว่ามันิกา เป็นยังไงสบาดีเหรอสบายดีเจ้ า, จ า, า, าค่ะอาจารย์นักมัธยมทุกค่ะก็เข้ามาร่ ว, วมฟังธรรมนะคะว่าอาจารย์ไม่ไมีคําถามโอเคเงั้นจะไปที่็นพูดต่อนะเพราะคนยังรออยู่อย่างเยอะเว้ยรักสมบูรณ์เชิญกลับนันกมัธยมค่ะอาจารย์มยมสายํสาคัญเลยคะ่ะปฏิบัติเยอะขึ้นคะ่ะอาจารย์ ก็กลับมารายงานตัวกับพระอาจารย์มารับพลังพระอาจารย์ค่ะปัญหาไม่ค่อยเยอะขึ้นก็ต้องต้องถือศีลแปดนแาจะอ๋อเออถือโยมถือศีลเจ็ดกับครึ่งหนึ่งค่ะแล้วตอนเย็นถือศีลแปด c o m p l e ี่เลยค่ะพระอาจารย์อาจารย์โยมโยมอ่ะนะถ้ามันพระเนี่ยโยมตั้งใจถือจริงๆเลยอาจารย์ เพราะว่าโยมนั่งสมาธิหลายรอบมากแล้วแบบมันโยมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีอะไรข้องใจเลยแต่ว่าไม่โยมรู้สึกมันเป็นไปได้เหรอคะอาจารย์ที่เราอะสามารถที่จะฝันถึงพระท่านเดียวหลายๆครั้งเนี่ยนะ่าจะฝันกี่ร้อยครั้งก็ได้เป็นความคิดของเราความผูกพันของเราเนาะเพราะว่าโยมมีความรู้สึกว่าเออ ลุงปู่มั่นเนี่ยท่านมาเข้าฝันโยมหลายขนแต่ทีนี้พอตองนั่งก็ไม่ได ม, มาเข้าฝันแล้วเราฝันถึงท่านมากกว่าอใช่ค่ะโยมฝันถึ ง, งแล้วที่ถูกหน่อยนะท่านไม่มาเข้าฝ<ช>ันเนาะเสียเวลาหรอกใช่ใช่แล้ทีนี้โยมมีความรู้สึกว่ามันคือคือโยมนั่งฟังอะ่ะจะจะใช้เสียงอะ่ะเสียงพร่อจารย์แบบโยมจะกลับเข้าไปดูอ่อเทปของพ่อจารย์ ในยูทูบส์แล้วก็โยมก็เอามานั่งเปิดฟังโยมฟังหลายๆพยายามที่จะเปียบเทียบไงและทีนี้แบบมันมีความรู้สึกเหมือนกับมีอะไรมาสอนโยมว่าโยมท่องไม่เป็นเวลาที่เขาจะนั่งสมาธิก่อนที่เขาจะนั่งสมาธิโยมท่องบทนั้นไม่เป็นในนี้โยมก็ขอสั้นๆแล้วโยมก็นั่งสมาธิและคือโยมมาจากโยมไม่เคยพุทโธมาก่อนโยมมาเรียนกับอาจารย์ ทีนี่โยมมีความรู้สึกว่าเวลาพุโทโธอ่ะมันทําไมแบบพอมาช่วงที่เรานั่งอะนั่งเยอะๆ เ, เกินสี่ห้าชั่วโมงเนี้โยมมีความรู้สึกว่ามันเป็นดวงจันทร์ที่มันอยู่บนหัวหัวโยมอ่ะมันอยู่ต้ไม่ต้องไปสนใจเลยไม่ต้องไปสนใจมันแล้วมันก็วิ่งแล่นเข้ามาในตัวโยมออย่าไปตามแล้วมันถ้าอยู่กับพุทโธไก็ได้ๆอยู่ไดกันไปเลยกรมไป แต่มันมันมันก็ไม่รู้สึกว่ามันมีความเศร้านะเหมือนกับมีใครมาแกล้งเราหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกเฉยเฉยมันกระเถื่อนอเฉยเยก็ใช้ได้ถูกใช่ค่ะโยมโยมเหมือนกับว่าจะมีกิเลสอะ่ะกิเลสมันมากระด<ม>กโยมเมตกคนุณนะเมตตคุณนะกิเลสเมตตคุณนะทีนี้เขาพยายามที่จะส่งข้อความมาอย่างงู้นอย่างงี้มากระแทกให้เราใจเรา กัเพื่อมถ้าเป็นสมัยก่อนเราอาจจะแบบโวยวายอุ้ยอืมตบโตอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้แบบเรารู้เฉยๆแบบทําไมต้องรู้เลยไม่เห็นจำเป็นต้องรู้เลยอะไรอย่างงี้ okay, อ่าโอเคดีแล้วล่ะอย่าไปสนใจเลยสนใจ ใ, <ช>ใจเราอย่างเดียวหรือว่ามันสงบแล้วไม่สงบก็พออย่างนี้บางวังนมันก็บางบางวันโยมมายังติดยังติดไอตัวขี้เกียจอยู่นะอาจารย์ก็ต้องใช้ความวิญญาณแก้มไปนะ ใช่ค่ะโยมก็ขอพระพุทธเจ้าก่อนนอนขอบอกว่าขอให้พระพุทธเจ้าช่วยมาปุกโยมด้วยเพราะอย่าให้โยมข<ม>ี้เกียจให้โยมตื่นรู้ในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะ<ห>ไมเมกี่ยความตายตอนที่ขี้เกียจว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นะยังไม่รีดทาเดี๋ยวเกิดไม่ไม่เดี๋ยวเกิดตายไปจะทำไม่ได้นะไม่ะกี่ยวความตาย ทีนี้ยมันอากาศมันหนาวแล้วทีนี้ยมก็กลัวว่าเดี๋ยวยมจะขี้เกียจขออย่ายมขี้เกียจนะพระอาจารย์ก็อยู่ที่เราเนะมันไม่ได้อยู่ที่ใครหรอกขอขอย่ไงไรครับถ้าเราู้ถ้าเราเราไม่ยอมขี้เกียจมันก็ไม่ขี้เกียจถ้าเรามันมันก็ขี้เกียจจริงค่ะยมก็ตั้งมั่นไว้แล้วว่าจะเดินทางธรรมค่ะโอเคอาจารย์ยมอ่ะอมาถวายบุญกับพระอาจารย์เจ้าค่ะ ขอถอนไม่ได้ละมูลกถอยเงินถ้าจะถอยมุลกครบญมังนโยมขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะพระอาจารย์จ้าสาธุจ้ะไม่เอาเราพูดเรื่องนั้นเดี๋ยวจะหาว่าอยากงงเงินนะเรายงเข้าใจแต่พูดตามความจริงโอเคนะสาธุขอให้รำให้รวยมีเงินทำบุญไม่ตลอด ทุกภพทุกชาตินะโอเคคุณยศสวัรดีเชิญอยู่ที่ไหนฝางม<บ>าสักการพรอาจารย์เจ้าค่ะที่กรุงเทพเจ้าค่าะอาจารย์เ <Okay. S 2> ข, ข้ามาฟังธรรมค่ะอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะโอเคยันไปที่ปัทยาคุณตายตายเชิญข้าวกล่าวนามสักการพระอาจารย์อมาก็ ก็เร oui. uh, all um ิ่มจะตั้งตัวตั้งไข่ใหม่ค่ะพระอาจารย์ค่ะนัสมาธิเก็บทุกวันแล้วค่ะอ่าดีเข้าเข้าถังเดิมนะคะอ่าใหม่ใหม่มันก็อาจจะล้มลุกคลคลานบ้างนะพยายามรักษาการปฏิบัติให้ให้ต่อเนื่องนะอย่าไปยอมมันนะถึงเวลาก็ต้องนั่งถึงเวลาก็ต้องนั่งกําหนดเวลาไว้ทุกวันทุกเวลาแล้วค่ะอาจารย์จะพยายามทำทุกวันค่ะ ดีจ้ะด้วยความยายามมีหลายคําสําเร็จอย่นั้นเราก็ได้หลายข้อเนียข้อห้าเราก็ได้นะเช่นโชคค่ะอาจารย์ดีใจมากเลยเก้าหน้าไปก้าวหน้าก้าวหน้าค่ะอาจารย์มันอาจจะยังโคนนบายนะแต่มันอาจจะยอมว่าถ้าเราถือศีลครบการปฏิบัติมันก็ค่อนหน้าจะเดินหน้าค่ะอาจารย์ถ้าเราทําศีลด่างค้อย ยมคิดว่าการปฏิบัติของยมก็คงแบบมันมันมันไม่เกยดจัดสติตมัน<จ>ไม่ค่อยดีบ<ไ>ีงอย่างเพราะว่าเพราะส ต, ติเราไม่มีเราก็เลยบางทีก็ทำให้ขาดสินสินขาดไปได้เจ้าค่ะ้าจาันตอนนี้ก็เดินหน้าต่อนะคะเ่าสาธุเ้าคุณชนะนดาเจนในยงยเท่นมันอยู่ศีรชา มันนี้ไม่อยู่บนเขาจะ้วพระอาจารย์ามาอยู่ง่ามาบ่อยนะต้องเก็บทุกเดือนเลยนะมาทุกเดือนค่ะพระอาจารย์ตั้งสัจจะไว้ครบหนึ่งปีพอดีเลยค่ะเดือนนี้ค่ะมีเป้าเป้าเดือนเป้าเป้าปีหน้าก็คือจากหนึ่งเดือนนะคะพระอาจารย์อท่อจะค่ะปีหน้าตั้งใจค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนั้นวันนั้นฝันนะคะพระอาจารย์คือลูกวเวลาฝันเน่ะ อมันจะห่อตลอดอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีล่าสุดเนี่ยก็ห่อให้ให้คนอื่นดูแหละค่ะแต่เป็นอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วค่ะพระอาจารย์แต่คิดว่าห่อได้จริงจริงอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แล้วอยู่ๆลูกก็เห็นพระอาจารย์มาค่ะพระอาจารย์บอกว่าเ อ, อความโอ้อวดเนี่ยคือเราอ่ะห่อให้คนอื่นดูว่าเราห่อได้อย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์เ อ, อพระอาจารย์บอกว่าเป็นกิเลส น, นะ ค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เข้ามาสอนในในฝันนะคะพระอาจารย์อันนี้อันนี้อันนี้จริงใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ออกน้ำทำตนมันไม่ออกน้ำทาตนนโอ้อวดใช่ไหมคะพระอาจารย์พระอาจารย์สอนให้น้องทำตนไว้อย่าโอ้อวดค่ะอลูกเรฝันบ่อยมากจนคือไม่ไม่รู้เลยอะค่ะว่าอันนี้มันเป็นกิเลสแขงอยู่เพิ่งจะรู้ เพิ่งจะได้รู้จริงๆอะค่ะพระอาจารย์ตอนที่พระอาจารย์มาบอกในฝันนะคะอืรู้กันลึกว่าเป็นแค่ฝันอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นมาก็ดีใจอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเราเราห่อได้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อืม๋อแต่มันเป็นกิเลสที่แฝงอยู่ซึ่งเ ร, เราไม่รู้ไงเราไม่รู้<ค>มันเป็นกิเลสแต่ถ้าเราฟ<ค>ัางธรรมแล้วนานๆจะจะได้ยินธรรมนี้ทักทีพระเจ้าบอกให้เราเป็นคน อ่นนอมถ่อมตนอย่าเปโอ้อวดทําตัวเป็นแจ๋วทําตัวเป็นพาตพีอย่าโอ้อวดเก่งวั่นดีวุ่นด้วยแนตามอ๋อค่ะผาจานค่ะพร้อมรับค่ะผาจารย์ก็รอบนี้เอ่อเอ่ออาจจะเป็นเพราะว่าก่อนที่จะมาภาวนาเนี่ยค่ะก็ทําอะไรช้าลงนะคะผาจารย์มันก็เลยเหมือนสติมันมันดีขึ้นนะคะแล้วก็เข้าเอ่อ ลูกรู้สึกว่ารอบนี้โอเคทีนี้สิ่งที่ลูกต้องทํารอบนี้การบ้านของลูกคือดูพิจารณาที่ลมหายใจใช่ไหมคะผาจารย์พิจารณาที่ลมหายใจตลอดเวลาใช่ไหมคะผาจาร์ก็แล้วแต่ถ้าถ้าเวลานั่งก็ดูลมหายใจได้แต่ถ้าเราไม่ได้นั่งก็ดูร่างกายแทนดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนค่ะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะกำลังทําอะไรอยู่กําลังอาบน้ำกาลัางล้างหน้ากําลัางแปลงฟันก็ให้อยู่เฝ้าดู งานที่ละกํากลังทำอยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะเราจใช้คำบิกรรมพุทโธํากลับไปก็ได้ค่ะคือตลอดเวลาไม่ให้หลุดเลยใช่ไหมคะไม่ให้ไปเผลอไปคิดทังนั้นทั้งนี้เลยให้มากที่สุดค่ะแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่จริงๆอ่ะลูกเจอวิกิตใช่ไหมคะที่แบบหนักแล้วก็ทำให้เราต้องมาภาวนา ภาวนาเอาเยอะอาหารพระอาจารย์แล้วก็ ม, มันได้ได้เรียนรู้ได้ได้อะไรหลายอย่างอทุกบ่มีทำบ่เกิดจริงค่ะพระอาจารย์เราต้องมีทุกเป็นตัวผ่านด้านให้เราไปหาธรรมะมาแก้ความทุกข์กันค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้ความรู้จริงๆเลยะค่ะพระอาจารย์ก็เลยเข้าใจเลยว่าอวเอทอความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากใจแล้วก็เรื่องต่างๆที่มัน ที่มันทําให้เราทุกข์คือมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ตรงกับความต้องการของใจเราใชมันขัดกับเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันทำเราทุกข์ใช่ค่ะอาจารย์เพราะถ้าพอพอเจอเรื่องที่มันไม่ตรงกับใจเราเนี่ยถ้าพอได้พิจารณาปุ๊บเนี่ยมันเห็นความอยากตัวเองของตัวเองเลยค่ะซึ่งความอยากนั้นมันหลากหลายมากเลยค่ะพระอาจารย์อืม ถ้าถ้าไม่ได้พิจารณาจะไม่ได้เห็นบางทีไม่ได้เห็นจริงค่ะพรอาจารย์ก็เลยแบบลูกดีใจมากแล้วก็ลูกลูกมั่นใจว่าลูกอะไม่กลัวตายลุงมั่นใจนะคะว่าลูกแบบมันไม่กลัวตายแล้วแล้วก็ไม่กลัวเอ่ตอนที่ช่วงที่มีปัญหาก็ไม่กลัวมันไม่กลัวติดคุกไม่กลัวล้มละลายคือไม่กลัวอะไรแล้วตอนเนี้ยคือปล่อยได้หมดทางอาจารย์เราเป็นเหมือนคนตายแล้วไม่อะไรจะเกิดก็มันก็ทําอะไรเราไม่ได้ ใช่ค่ะพระอาจารย์ลูกลูกแบบใจมันสบายมากมันก็เลยเป็นเหตุให้แบบใจมันสบายจนแบบมันก็เลยทําให้นั่งสมาธิได้ดีเออ่ใจมันสบายมันสบายตลอดใช่พอค น, เ, นเรายอมพอเรายอมตายแล้วเราจะอยู่อย่างสบายค่ะทุกข์กับอะไรค่ะพระอาจารย์อเขาจะสอนให้ตายก่อนตายฝึกตายก่อนตาย ค่ะพระอาจารย์ตอนตอนที่ลูกอ่ะเข้าไปในลิฟต์ครั้งแรกอ่ะแล้วลูกเจอคนที่แบบถูกใส่กุญแจมือใช่ไหมคะมเข้ามาในลิฟต์ตัวเดียวกันลูกอใจแป้วเลยนะคะพระอาจารย์<ม>แล้วลูกก็ลืมกดกดเอาตัวเองออกมาจากลิฟต์ปะห<ม>ักคือจริงๆต้องออกคนละชั้นนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไปออกชั้นเดียวกับเขาอะคะ<ม>่ะตอนนั้นใจแป้วมากเลยแล้วถเกิดเราแบบเอ่อถูกพิถูกถูกศาลพิจารณาผิดเป็นคนผิดอย่างเงี้ย น, นะคะเราก็ต้องโดน คองกุญแจมงแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์ตอนนั้นรู้สึกโอ้โหแบบทําไมชีวิตต้องมาเจอเลยแบบนี้ทุกมากมากมากมากเลยค่ะพระอาจารย์แต่พอวันที่ศาลจะพิจารณาตัดสินเนี่ยแต่ลูกได้ก่อนนั้นลูกทําใจได้ก่อนนั้นค่ะพระอาจารย์<ม>แล้วแล้วแล้วลูกเข้าไปในศานะลูกก็แบบถ้าค้องกุญแจมือแล้วนะเราจะเดินยิ้มออกไป<ม>ลูกคิดอย่างนี้เลยค่ะพระอาจารย์ค่ะแสดงว่ า, นะาเรายอมอะยอมหยุดเย็นนะ ที่ที่พระอาจารย์สอนนะคะที่ยอมหยุดเย็ยนลูกไปคิดอยู่ตั้งนานตอนที่พระชักพระอาจารย์สอนแล้วบอกให้ยอมหยุดเย็ยนเอ้ยอมยังไงอย่ายอมยังไงเหรอลูกไปคิดตั้งนานอ๋อเพราะลูกบพอาะ้ว่าจริงๆแล้วเราแบบเออเราได้แล้วเรเอาเร า, ามานั่งคิดถ้ะสมมติว่าเราโดนพิจารณาตัดสินให้ติดคุกนะสมมตินะแล้วแล้วมันยังไงอ่ะแล้วมันคล้องกุญแจมือโดนคล้องกุญแจมือแล้ว ได้เราแค่นี้ทําไมเราจะทําเราจะยอมไม่ได้ในเมื่อเรายอมตายได้เราคิดว่าเราจะป่วยเป็นอะไรเราเราไม่ไปหาหมอเราไม่รักษาได้ไหมได้เราอยู่กับโรคภัยไค่เจ็บได้ไหมได้เออ่ลูกก็เลยแบบอืมแล้วแล้วเรื่องแค่นี้เองทําไมมันแล้วมันจะเป็นอะไรใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วมันจะเป็นอะไรรับไม่ได้ทํามจะรับไม่ได้ใช่ใช่ใไอ้เราก็คือเราติดตรงภาพภาพลักษณ์ของเราติดติดตรงเรื่องแบบ อา่าจริชื่อเสียงใ ช, นะใช่ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะกลัวเสียชื่อกลัว อ, อะไรแบบหลายสิ่งหลายอย่างมากเอ่อซึ่งพอพอพอเห็นตรงนั้นปั๊บเนี่ยโหงงงจริงเลยรู้เลยว่างงแค่คือทําไมเรายอมตายได้แต่เรื่องนี้ทําไมเราเรามันไม่ข้ามะอะไรเงี้ยคะ่ะอาจารย์แล้วจริงๆแล้วพอถึงเวลาที่แบบข้ามได้มันข้ามได้จริงนะคะอาจารย์ ม, มันไปสบายสบายใจมากเลยคะ่ะอาจารย์ <ด>อะไรเงี้ยคะ่ะอือมากาค่ะค่ะคลุงต้องน้องกับขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่ได้พระอาจารย์มเมตตาในทุกเรื่องเลยค่ะพระอาจารย์ก็คงจะไม่ไม่ได้คิดถึงไม่ได้ตกผลึกได้ขนาดนี้ค่ะพระอาจารย์มันอยู่ที่การปฏิบัติของเราด้วยค่ะแ ต, แต่ถ้าเป็นพราะเราพูดทุกคนในเ้องนี้ก็ต้องทําใจได้หมดทุกคนนะถ้าไม่ไปปฏิบัติมันก็ยังทํำใจไม่ได้ ยังไม่เข้าไมไปเปกไม่เวกไปเข้าสมาธิไม่ได้ไมันก็ยังทําใจไม่ได้ค่ะก็แบบรู้ดีใจดีใจแล้วก็แล้วก็วกพระอาจารย์เจ้าค่าธรรมโอสถนะคะที่คือรูปแอ่ะมีความเจ็บปวดภายในร่างกายแล้วก็ทาสมาธิแล้วก็เอาจิตไปเพ่งดูข้างในว่าความเจ็บมันคืออะไรความปวดมันคืออะไรเข้าไปดูอย่างละเอียดเลยค่ะอาจารย์เสร็จแล้วเราก็ปล่อยวาง อารมณ์แล้วความเจ็บปวดตรงนั้นมันก็ค่อยๆหายไปเลยค่ะอาจารย์ออย่างนี้ใช่ไหมคะพอาจารย์มันมีมันมีความเจ็บอยู่สองส่วนเจ็บใจกับเจ็บกายค่ะถ้าเราพิจารณาแล้วเราก็จะเห็นว่าความเจ็บกายเป็นเรื่องที่เราแก้ไม่ได้มันคับไม่ได้การเจ็บใจนี่มันเกิดจากความอยากของเราอยากให้ความเจ็บกายมันหายมันก็เลยทําให้ใจเราเจ็บค่ะ ถ้าเรายอมยอมไม่ร่างกายเจ็บมันจะหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรใจ<ะ>เราก็จะไม่เจ็บใจเราก็จะเฉยค่ะลูกก็เลยแบบลูกก็บางทีก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะเราเป็นเราเป็นมะเร็งไหมอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แต่ลูกก็ใช้วิธีแบบนี้ดีกว่าลูกก็เลยฟังพระอาจารย์บ่อยเรื่องธรรมโอสฐลูกก็ลองใช้วิธีนี้ดีกว่าแล้วลูกก็ไม่ได้เออ่ไปหาหมอหรืออะไรอคะค่ะพระอาจารย์จะดูเอา แล้วก็คิดว่าถ้ามันจะป่วยจะตายก็ไม่เป็นไรก็ตายไปเลยไม่เป็นไรไม่ได้ติดอะไรแล้วไม่ได้กังวลอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะเอะมันก็เลยสบายใจไปทุกเรื่องนะคะอาจารย์เด็กต้องนะค่ะก็เลยค่ะอาจ า, ารย์ลูกจะพยายามต่อไปนะคะเรื่องที่ยังทําไม่ได้ก็จะพยายามทําให้ได้ไดนในอนาคอาจารย์มันก็แนวเดียวกันปัญหาแบบเดียวกันไม่ยังไม่ยอมรับมันอยู่ถ้ า, ายอมรับมันแล้วก็มันก็หมดปัญหาไปค่ะอาจารย์ค่ะก็พิจารณาละ ละกขันห้าอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์ขันห้าก็เนี่ยร่างกายกับความเจ็บนี่ก็ขันห้าค่ะขั้นต่อไปก็แล้วไปพิจารณาละกามาลมค่ะอาจารย์อนุบุษพระเห็นใครหล่อให้ให้ใครหน้าดูหน้าช่างว่าคิดถึงจับตายไส่พห์ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะรับรับค่ะอาจารย์โอเคเขาขอบคุณอย่างสุดค่ะอาจารย์เดีย๋ยวไปได้วเวลาพิสิท ต, ต่อ ต้องเร็วหน่อนะครไปเสร็จในเวลาไม่มากหรมีอะไรไหมส ก, กรรมลครอาจารย์อาารยพระอาจารย์ครับมีวันนี้มีนิดหนึ่งครับพระอาจารย์ว่ามาเลยจะถามว่าทําไมเราต้องฟังเสียงครูบาอาจารย์ตามที่หลวงตามหาบัวนั่นพูดว่าใม่ฟังเสียงาาครูบาอาจารย์ครับอ่าเราไม่ก็เราก็ฟังเสียงงคนตลาดเลยแล้วไปลงเรียนกันทําไมล่ะ โรงเรียนเพราะเราลใช่ไหมเราบวกลบบวกลบคูณหารไม่เป็นก็ต้องไปหาหาอาจารย์ที่สอนวิธีบวกลบคูณหารได้กับเราครับถ้าเราถ้าเราบวกลบคูณหารได้ก็ไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้ใช่ไหมครับผู้อาจารย์นี่เป็นฝั่งผูอ้าอารย์ท่านเป็นผู้ ร, รู้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เราไม่รู้กัน เป็นผู้เห็นเห็นโลกอย่างแจ่มแจ้งนะพระอาจาร ย, าย์เห็นตายรักเนี่เห็นนั่นที่จำทุกครังแล้วนั่นตาเห็นอริยสัจสี่ครับเรายังไม่เห็นกันครับครับกาขอบคุณพระอาจารย์ครับทุคบกคนโอเคสาธุคุณจุบโกเบอาจารย์กลับใ น, นมาตรการค่าอาจารย์เจ้าค่ะอะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะ โอเคยังก็ไปก่อนนะเวลาใกล้จะหมดแล้วไปที่คุณสมเด็ทรนต่อแมวเวลล์ยังไงเดี๋ยวช้อปปิงเรียบร้ายแล้วใช่ไหมนี้ไม่ช็อปแล้วคะ่ะไม่มี <c oughs> ให้ช็อปแล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> จา่นวสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื <c oughs> ่ออาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์บอกให้โยมไปพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ค่ะเพราะว่า ยอมเอาจิตไปจับอยู่กับความเจ็บป่วยของญาติพี่น้องในครอบครัว<ม>เพราะว่ามีหลายคนมากในครอบครัวที่เจ็บป่วยเจ็บป่วยมากๆเลยอะค่ะ<ม>แล้วก็จิตใจของเขาก็ผูกพันกันเองคนหนึ่งเขาก็เป็นพาร์คินสันระยะสุดท้ายก็เข้าสเตจของอ<ม>ัลไซเมอร์อีกคนนึงก็รับไม่ได้ที่คนนี้เป็นพาร์คินสันก็เกิดเป็นดิเพรสชันเริ่มอาการคุย <c oughs> ก, กับตัวเองเนลูกโซ่เป็นลูกโซ่ น่ากลัวมากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วหลานโยมที่บอกว่าน่าจะเป็นลูคีเมียก็ทำาคมแต่ตอนนี้ก็โชคดีที่ว่าเขาเขาได้กลับบ้านแต่ว่าต้องอยู่ในระยะปลอดเชือ้อก็เลยกลายเป็นว่า mm hmm. เมื่อที่ผ่านมาโยมเอาจิตไปส่งออกนอกไปจับกับความทุกข์ของคนในครอบครัว mm hmm. แล้วคนในครอบครัวก็โยงกันโยงกันมาแล้วใจโยมก็อยากจะไปช่วยเขาอะค่ะพระอาจารย์โยมก็อยากจะ มีอะไรบ้างที่เราช่วยเหลือเขาได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยทาให้โยมฟังธรรมะของพระอาจารย์เหมือนมันไม่ต่อเนื่องอะค่ะพระอาจารย์มันไม่สามารถมันไม่สามารถควบคุมให้ตัวเองมีสติได้อะค่ะแล้วมองผิดเรามองผิดมุมมันต้องมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายแล้วมองไม่เห็นตรงนี้เหมือนมันรู้นะคะพระอาจารย์แต่ว่ามันทําไม่ได้อะค่ะมันไม่ยอมรับกิเลสมันไม่ยอมรับ มันพอมันผ่านไปได้สามวันนะคะพระอาจารย์เหมือนใจตัวเองที่เคยใจที่เคยมีกําลังมันเหมือนมันไม่ยอมเหมือนมันต่อสู้กันอยู่ข้างในนะคะพระอาจารย์คนนี้พอโยมนั่งสมาต์แต่แต่โยมก็ยังนั่งสมาธิทุกวันเช้าเย็นไม่เคยขาดนะคะพระอาจารย์แล้วเอพอโยมนั่งเนี่ยเหมือนกับครั้งเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาพอมันจะเหมือนมันจะเกือบลงละมันไม่มีความฟุงขึ้นมาโยมเลยเล่งพุทโธ S 2> <S 2> เล่งจนมันดับไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์ออแล้วอยู่ในนั้นได้นานมากยมซึ่งยมก็ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้ไงคือไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็อยู่ในนั้นความงงสติกําลังของสติ ม, มันหยุดความคิดได้อยู่ได้เกือบสามชั่วโมงเลยค่ะพระอาจารย์ซึ่งยมแบบแปลกใจมากว่ามันไม่น่าจะเข้าไปอยู่ได้นานขนาดนั้นแล้วพอมันผุดออกมาความกังวลมันก็ไม่มีคือความคือเริ่มยอมรับจริงๆก็เยอะ เริ่มยอมรับใจเป็นูเบเกอปล่อยวางหมดนลค่ะคือเหมือนกับมันยอมเข้าใจว่าการรักษากำลังสติกำลังสมาธิหรือแม้แต่ปัญญาที่เกิดขึ้นพระพระอาจารย์บอกว่าให้ยอมพิจารณาความตายยอมก็พิจารณาการสามสิบสองทุกวันนะคะพระาจาย์แล้วยอมเข้าใจว่ามันเข้าไปละลายกิเลสในจิตของเราทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อ ย, อยเอะละลายโมหะความหลงมองเห็นเป็นตัวเป็นตนความเจ็บร่างกายไม่มีตัวไม่มีตน มองเห็นว่าร่างการเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนค่ะ<ม>แล้วพอมันพอมันเข้าไปถึงตรงจุดนั้นวันถัดถัดมาที่โยมนั่งสมาธิมันเหมือนมีกำลังมากขึ้นนะคะ ม, มันก็มีเหมือนเป็นกองอสุภะมาให้เห็นเป็นภาพภาพอย่างนั้นนะคะ<ม>ก็โยมก็เลยคิดว่าโยมก็ไม่หยุดปฏิบัตินะคะพระอาจารย์จะจะได้มากได้น้อยก็จะไม่หยุดปฏิ ใชสติกับปัญญาสองตัวนี้นะขณะนี้น เ, นเวลาปกติเนี้ยกังวนเนี้ยเราก็ควรจะพิ จ, พจารณาถึงทั้งอสุภะพิจารณาอาการสามสิบสองพิจารณาอนัตตาเป็นอารมณ์แม้ว่ากำลังสมาธิในวันนั้นจะไม่เกิดถูกไหมคะพระอาจารย์ก็อยู่ที่พิจารณาได้มากาน้อยตามกาลังของสมาธินั่นนะถ้าพิจารณาแล้วมันฟุง้งนั่ฟุ้งก็แสดงว่ามันพิจารณาไม่ได้แล้ว มันต้องหยุดไปมาทำสมาธิพุทโธพุทโธแทนค่ะพระอาจารย์ค่ะยมก็พยายามทำควบคู่กันไปแล้วถ้าวันไหนที่มีสมาธิมันเหมือนมันเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะพระอาจารย์อ่าบางทีแล้วก็นางมองเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นว่ามันเป็นอนไรจังทุกขั้งก็น่าตาเหมือนกันใช่ค่ะพระอาจารย์พิจารณาทุกวันเลยค่ะแต่ว่าเหมือนวันยอมวันไหนที่มีกำลังสติมันก็จะนิ่งมันก็จะสงบ แต่วันไหนที่มันสู้ไหวมันก็มันก็กังวลนะคะพระอาจารย์ทางทีเราโม่เป็นพิจารณาสุภาพซึ่งตอนนั้นมันไม่จําเป็นน้องชายสุภาพมันก็ไม่เกิดประโยู่อะไรแล้วตอนนั้นเรากำลพูนวายกับอะไรแล้วเราพิจารณาเหตุการณ์นั้นทันทีแทนค่ะพระอาจารย์ยมรู้สึกว่าการใช้ปัญญาเนี่ยเหมือนปัญญายมยังน้อยอยู่ะค่ะมันไม่สามารถที่จะให้มันหยุดได้หยุดทันที แต่สติเนี่ยมันหยุดทันทีแต่ถ้าใช้ปัญญาเนี่ยเวลามันหยุดแล้วมันหยุดเลยมันหยุดนานไนล่นานไล่นานไปเลยค่ะแต่สติเนี่ยมันจะหยุดได้เร็วกว่าใช่นหะชั่วคราวพอไม่มีสติมันก็กลับมาใหม่ได้เจ้าค่ะโยมถึงคิดว่าถ้างั้นถ้าโยมเร่งพิจารณาปัญญาในในระหว่างวันแล้วเร่งพิจเร่งทําสมาธิในหมายถึงว่าเร่งเจริญสติด้วยแล้วก็ทำสมาธิ ต, ต้องใช้ปรรัญญาต้องใช้ปัญญาให้ถูกกับการละเทศให้มันถูกกับเรื่องถูกกับปัญหาบางทีเราไปพิจารณาเรื่องที่มันมันยังไม่เกิดมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมเราต้องถ้ามีปัญหาในปัจจุบันมันเป็นปัญหาอะไรเราก็ต้องใช้ปัญญ า, าพิจารณารปัญหานะั้นว่าเป็นตนะแล้วจะได้เราจะได้ไม่ทุกข์กับมันค่ะพรอาจารย์แต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราก็พิจารณา เรื่องอื่นได้ความตายก็ได้เรื่องความเจ็บก็ได้เรื่องอสุภะก็ได้แต่มันเป็นการทํากันบ้านเป็นการทำเตรียมตัวแต่วเวลาเราเจอข้อสอบเราต้องใช้ปัญญาแก้ข้อสอบนั่นทันทีข้าพระจารย์เป็นเกี่ยวกูปเป็นอะไรขึ้นมาปั๊บอย่างเงี้ยใจเราวุ่นขึ้นมาอะเราใช้ไม่ใช่มานั่งพิจารณาอันนี้จะความตายแล้พิจารณาเรื่องอื่นมันต้องว่าพิจารณาเรื่งองของลูกก่อน พระอาจารย์ค่ะกล่าวขอบคุณนะคะพระอาจารย์ที่เตือนสติยมจะได้พิจารณาให้ถูกให้ถูกเรื่องถูกกาลเทศะขอบคุณนะคะพระอาจารย์ถากเจ้าทุกท่าจอยพเทียกล่าวค่ะเอาเข้ามากล่าวว่ายังไงไม่นอนเลยนั่นเดี๋ยวก็แค่นี้ยังไม่นอนเลยค่ะก็นอนสับผ้าทไปค่ะเขา ตอนเช้าก็ตื่นไม่ยอมตื่นไปใส่บาตก็หลับตาใส่ใช่ค่ะแล้วไอ้ล่าสุดเขาเกิดอุบัติเหตุขาพลิกไปโรงพยาบาลมาด้วยเ ด, เดินไม่เดินไม่ค่อยได้เดินกะเพิกค่ะเดี๋ยวหนูไปใส่บาทค่ะจ้าสวัสดีค่ะสันนีคุณนิสาเอลเอจั LA, กลับในมสาสการคะ่ะพระอาจารย์ล่วกไม่มีคําถามคะ่ะพระอาจารย์ยังปฏิบัติเหมือนเดิมคะ่ะ อ, อะ่า๋ยวจะเรียนกับพี่คุณชายานิดเลยนะอ่าใช<ะ>่นหน่อยชายานิดใช่กลับมาสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะอ่าวันนี้ไหนก็ไม่มีคําถามคะ่ะเะดี๋ยวเนีอย่างคที่คุณจา่ายกลับอเมริกายัาง ยังค่ะพระอาจารย์วันเอกลับมาวัชการค่ะพระอาจารย์หนูยังอยู่ที่เดิมค่ะแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้พอดีเสาร์ที่นี้พี่สาวมีประชุมแถวอ่าแถวแถวัชลบุรีหนูจำไม่ได้ว่าชื่ออําเภออะไรนะคะแต่ว่าบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์จะได้ขับรถไปฟังพระอาจารย์ตอนบ่ายสองค่ะโอเคม่มีอะไรไหมมีคําถามไหมวันนี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์มาฟังธรรมเสยๆค่ะโอเค ในนนี้คุณพนามเจนคุณพนามกลับไปเซแล้วเมืเอ่ <c oughs> ออาทิตย์ทแล้วยังอยูา่ามงไทยอ <c oughs> าจารย์หนูเพิ่งมาถึงวันนี้เจ้าค่ ะ, อะ <c oughs> ขอบคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ระหว่างเดินทางกลับมาลูกมีสติมากคือสามารถนั่งแปดชั่วโมงโดยที่ไม่เข้าห้องน้ำเลยครับว่าอาจารย์อก <c oughs> ้าค <c oughs> ่ะเรัล้ แล้วก็อพิจารณากายยศกตาสติแล้วก็ได้ปฏิบัติคือกําหนดปฏิบัติมาระหว่างไฟตลอดเวลาค่ะจนมาถึงระหว่างซเซาเทิร์กลับมาเซเลมอเจอพายุฝนตกหนักนะคะแล้วก็บินเครื่องต้องบินย้อนลมกลับมาทางเซเลมะค่ะระหว่างนั่งมาเครื่องสั่นตลอดทางเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าลูกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ พ, พิจารณาเข้าไปในสมาธิแล้วก็กำหนดพุดโทโธอยู่อย่างนั้นนะคะจนมาถึงนะคะหลวงพอ่อนี่ํารมาช่วยทำใจให้เราสงบไม่วุ่นวายแล้วก็ปิติมากแล้วก็มีพลังขึ้นเยอะหลังจากที่ได้กลับไปกปราบหลวงพ่อซึ่งปกติหนูก็จะระลึกถึงแล้วก็จะฟังธรรมตลอดเวลาไม่ว่าจะตื่นจนหลับอะค่ะ <c oughs> แล้วก็หลานสะพ้ายบอก ขอบคุณอามากที่พาหนูไปกราบหลวงพ่อหนูหนูจะกลับไปกราบหลวงพ่อหนูจะปฏิบัติธรรมแล้วก็หนูจะไปกับอาหนูดีใจมากครัเพราะว่าเอเห็นหลานมาทา ง, งานี้ค่ะหลวงพอ่อกลับขอบคุณหลวงพ่ออีกครั้งค่ะโอเคสาธุจ่าปฏิ yeah. <c oughs> บัติกราบกราบสุราธานีกราบนวัสการครับตี่นไหมครับ ได้ยนชัดเจนก็ก็มามารับกระแสจากป้าจารย์ครับแล้วก็มีมีคําถามครับเดี๋ยวจะอ่านคําถามเอ่อการอยู่ในโลกนี้เราอาจจะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นและในหลายหครั้งก็มีคนที่พยายามแสวงหาผลประโยชน์จากเราก็ในบางครั้งก็เหมือนมีคนมาแสวงหาผลประโยชน์จากเราเยอะเหมือนเราใจดีครับ คือเราจะต้องวางใจยอย่างไรเพื่อไม่เกิดความกระทบกระเทือนใจไปกับเขาด้วยครับโอเคว่าเป็นการสร้างทานบารามีไปกัแล้วกันไม่ต้องไปวัดให้เสียเวลามีคนมาขอรับทานตั้งที่ ท, ที่ที่ทำงานเราเลยเหมือนดังภาษาเดินทางไปวัดไปทอดกระินเนเดินทางไกลไม่ต้องไปมีคนมามาเอาสองมาให้เราที่ที่ทำงานเลย ถ้าเราไม่ถ้าไม่เสียหายไม่เดือดร้อนก็ปก็ทําไปสร้างบารมีไปก็เป็นการสร้างบารมีเป็นโพธิสัตว์อ่าเราอก็ไม่มีคำถามครับก็อาจารย์ตอบนี่แบบมันเคลียร์เข้าใจทุกอย่างแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าก็ก็ต้องคิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับได้ไม่ทําไงละห้ามเขาไม่ได้เขาจะทําะไรก็ ใช่ไเราเราให้รู้จักป้องกันตัวเราเองก็แล้วกันอย่าไปให้เขาเปลี่ยนจนกระทั่งเราร่ำโจมก็แล้วกันครับอาจารย์ครับครับถ้าปฏิเสธได้ก็ต้องปฏิเสธถ้ามันถึงขีดที่เราไม่สามารถตอบตสนองตัญหาก็ได้ก็ต้องปฏิเสธไปครับครับครับขอบพระคุณครับคนนี้ก็น้ําหนักลดไปห้ากิโลก็เดี๋ยววนี้ก็พุดขึ้นเอาลงอีสักนิดนึงครับยุ่งมหน่อย้องน้อยอยู่นะ ให้มันยืมบ่ให้มันตอได้แดดวไอึ๊บๆครับต้องใบยาเหมือนเหมือนเขียนคบขึ้นบนเขาครับเผชิรนาปฏิกูลของอาหารบัางเิจิญนาปฏิกูลครับโอเคไปที่คุณเต้คุณเต้คุเต้เต้อยู่ที่ไหน ไปไม่ได้ยังครับอาจารย์ผมอยู่ลพบุรีครับผมอ่าเคยเข้ามาบะครับอาจารย์ครับผมเวลาฟังเทพอาจารย์นะครับจิตใจของผมเหมือนแบบฟังเทปเหมือนครูสอนนะครับแล้วแบบอยู่ดีมันก็แบบเออคิดว่าคิดคําพูดอาจารย์เอออาจารย์พูดมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้ภาวนาะพุโทโธแต่ว่า จิตมันมีสมาธิว่าเออเหมือนครูสอนเราถูกต้องที่ผลอะไรเงี้ยใช้ได้เนี่เรรฟังเพื่อปัญญาฟังเพื่อความฟังเข้าใจดีดีกับฟังเพื่อสติเพื่อสมาธิถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ลืมสามารถเอาไปใช้ปฏิบัติต่อได้ดีเวลาฟังทางมุนย์ฟังแบบนี้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ถ้าเราฟังแล้วไม่เข้าใจเราก็ฟังฟังเสียงไป เพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธิแทนเร า, าได้สองรูปแบบเวลาฟังพอาจารย์แล้วแบบเหมือนแบบโอ้โหมันโล่งเลยครับแบบมันมันดีมากเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ผมใกล้จะสอบก็ต้องอ่านหนังสือสอบแล้ว ม, มีเวลาคิดอยู่กับข้อสอบมีเวลาคิดอยู่กับผู้แข่งตลอดเวลาไม่ไม่ค่อย ม, มีเวลามาอยู่แบบกับพระอาจารย์กัแบธรรมะเวลาได้ฟังเหมือนแบบแบบเป็นการชาร์จแบตชาร์จพลังใจได้ดีมากเลยครับอ่าดีมาก อังบ่อยๆถ้ามีเวลาว่างกาฟังเดี๋ยวไว้ฟังเรื่องเรื่องทางโลกทางอะไรนะอาจารย์ครับแล้วทีนี้เพื่อนผมบางคนมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าบางคนมันจะชวนไปในทางที่ผิดแต่ว่ามันอีกใจนึงถ้าเราปฏิเสธไปมันเป็นการเสียเพื่อนไปเลยอาจารย์มีข้อแนะนํำยังไงบ้างครับเกอเสียเพื่อนเดียวก็เสียตัวอย่าเสียตัวว่าใช่ไหม<ข> อย่าไปเกงใจคนต้องเกงใจทำหมุ่ตามหมาบัวบอกถ้าเกงใจคนทำก็แหละความดีก็แหละแล้วก็ชวนไปกินเหล้าก็เสียไปเลยเคื่อนแบบนี้อย่าอย่าไม่มีเลยถ้าชวนไปเล่นการพนันก็อย่าไปถ้าชวนไปวัดไปถ้าชวนไปวัดไปให้คบบัณฑิตอย่ากคบอย่ากคบคนง่อคนพานเข้าใจนะ โอโหมจะนึกถึงอาจารย์ตลอดอะนะครับถ้ามันมีแบบสิ่งด้วยอายุมาก็<ช>จะได้ควมอารอมณ์ไว้โลกนี้มีคนต้องเยอะแยะเสียคนเสียคนชั่วไปไม่ไม่ไม่ขาดทุนกาไรเสียคนดีไปนะขาดทุนถ้าก็เชิญไปวันแล้วไม่ไปเนี้ยจะขาดทุนครับอาจารย์ครขอบคุณอาจารย์มากครับ อ, อ่าสาธุอ่าคุณจิตบัญญัติเช่เป็นยังไงสบายดีนะ อย่ามันกระตัรับสบายดีครับาารอาาก็ไม่มีคำามแต่จะบอกอาาว่าเมาื่อเมื่อวานไปช่วยงานวิ่งสองนาทีลุกลีครับอราก็เข้าไปเกิดไฟตอนก้อนเยอะเลยนะก้อนเยอะครับก็ผมรับเรื่ที่ไปเกิไปตอนช่วงช่วงเ้ามือครับมันมีจังหวะหนึ่งเดยเข้าไปลึกมากมันกลัวเหมือนกันครับแต่ไม่ถึงคาขอป้าจันเหมือนว่าควานกลัวมันอาจจะเกิดจใจเราครับ ก็เอนาวนาพุทโธเดินไปแล้วก็เปิดไปทําหน้าที่ไปครับสุดท้ายก็ไปเจอสุดสุดท้ายก็ไปสว่างก็จริจริงๆมันก็ไม่ได้กลัวจริงจริงครับว่าจะถือโอกาสทํางานด้วยแล้วก็ฝึกไปด้วยครับะอาจารย์โอเคดีเลยอาจะเจอความกลัวก็พุทโธทำมูสังโฆไปก็ได้นะเอาไปในใจใช่ครับขนลุกครับแต่ก็รู้ก็ลุกไปตั้งแต่ว่าไม่ถึงครูบาอาจารย์ไม่ถึงพุทโธพุทโธเดินมเป็นสุขการควรตัว โ <Okay. S 2> อเคขอขอเสนอ ก, ก, รการนะนสาธีขอบคุณขอบคุณที่กุณาตอบคำถามจากทางบ้านทางเพน YouTube แบบนะีมัสักการแรจารย์เจ้าค่ะมีทั้งหมดห้าคำถามเจ้าค่ะสองคำถามแรกจากคุณธีรภูมิขอความกรุณามีสองคำถามครับ <c oughs> ที่หนึ่งผมจะสามารถเปลี่ยนความคิดที่กลัวตายให้ยอมรับกับความแก่ความเจ็บความตาย เพื่อใจจะได้ไม่ทุกข์ได้อย่างไรครับก็ต้องคิดบ่อยๆคิดว่าเราจะเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาพระเจ้าสอานท่าโนนให้คิดอยู่ทุกลงหายใจเข้าออกหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายคิดอยู่บ่อยๆถ้าบ่อยๆเข้าต่อไปใจมันก็ต้องยอมรับมันยอมจานนต่อความจริง ถ้าเราไม่คิดบ่อยมันก็ยังยังไม่เห็นความจริงชัดเจนถ้าคิดบ่อยๆแล้วมันจะเห็นความจริงชัดเจนมันก็ต้องยอมรับมันปฏิเสธไม่ได้คำถามที่สองจะเป็นไปได้ไหมครับที่คนเราพิจารณาความตายโดยดูอาการสามสิบสองดูอสุภะและพิจารณาทมต่างๆแล้วจะเป็นอริยะได้โดยที่ไม่นั่งสมาธิครับ ถ้ามันถ้ามันไม่มีสมาธิมันมันมันตัดตัดความอยากไม่ได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเนี่มันจะตัดไม่ได้แต่ถ้าถ้าสมมติว่าเราดูความตายดูซากศพแล้วเราเรายอมรับได้เราไม่กลัวความตายเราไม่กลัวความเจ็บมันก็บรรลุได้แล้วแต่แต่ละคนอาจจะมีกําลังของสมาธิที่ซ่อนอยู่ในตัวมากน้อยต่างกัน ท่าดูแลรับยังยังยังรับไม่ได้ยังกลัวความตายกลัวความเจ็บอยู่ก็แสดงว่าสมาธิยังไม่มีมีไม่พอก็เอาไวฝึกสมาธิก่อนคำถานต่อไปจากคุณสง่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับกราบเรียนถามเกี่ยวกับการแก้กรรมโดยการระลึกชาติว่าเคยทํากรรมใดเอาไว้กับใครแล้วไปทําการขอขมาอโหสิกรรม เพื่อให้กรรมนั้นบรรเทาลงแบบนี้สามารถให้ผลตามนั้นจริงไหมครับไม่ได้หรอกกรรมทําไปแล้วไม่มีใครไปร่งได้ถึงแม้คนที่เขาเป็นเจ้ากรรมนเวนเรแล้วเขาให้อภัยกับเราเราก็ยังต้องไปรับกรรมที่เราทำอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่มีเวรกับเขาเท่านั้นเองถ้าเราไปขอกรรมมาเขาแล้วเขาให้เขาให้อภัยเวรกรรมกับเขาก็ไม่มีแต่กรรมที่เราทําที่ต้องส่งให้เราไปเกิดในอบาเนี่ยยังห้ามมันไม่ได้ มถึงเวลามันก็ต้องไปเกิดในอภายต่อไปมันถามต่อไปจากคุณวรยุทธสอบถามสภาวะธรรมครับพุโทโธในใจแล้วแน่นๆเหมือนจิตไปยึดในร่างกายแถวคอแถวหน้าแบบนี้ทำถูกไหมครับคือมันก็อาจจะเกิดอาการต่างๆเหล่านี้ได้แต่อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียว าอาการต่างๆมันก็จะหายไปคำถามสุดท้ายจากคุณวันคนาเรียนถามค่ะการถวายผ้าขาวได้อนิสงบุญระดับไหนคะก็เป็นผ้าจีวรเหมือนกันคือทำเนียมของผ้าสมัยก่อนจะไม่มีร้านขายผ้าตัดเย็บสำเร็จรูปผ้าต้องทำทาตัดเย็บจีวรเองแล้วย้อมสีเอง สมัยก่อนเขาจะถวายผ้าผ้าสีขาวอย่างเดียวแต่สมัยนี้มีการพัฒนาทางร้านเขาเห็นว่ามีช่องทางทาำมาเ ก, ก่งเข้ า, าเลยมามาย้อมเอาผ้าที่ย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตัดเย็บญาติโ ย, ยมก็สบายไปซื้อมาคิดว่าผ้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามาตัดเย็บให้เสียเวลาก็เลยถวายเป็นผ้าที่สําเร็จรูปไปก็เหมือนสมัยก่อนเนี่ยว่าเวลาเราจะตัดเสื้อผ้าเราต้องไปที่ร้าน ก็าไม่เไม่มีแบบสําเร็จรูปเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนเราจะตัดกางเกงตัดเสื้อนี่ต้องไปที่ร้านร้านตัดกางเกงตัดเสื้อแล้วก็วัดขนาดแล้วก็เลือกผ้าที่เราจะเอาแต่สมัยนี้เขามีมีบริษัทมีร้านที่เขาสามารถตัดเย็บเสื้อผ้าต่างๆมาสําเร็จรูปแ ล, แล้วเราก็ไม่ต้องไปที่ร้านไปตัดใเในเรื่องเราได้เลยก็มีแค่นี้ไม่มีผลต่างกันทุ ส, สรุปก็คือ ถาวายผ้าสขาวหรือถาวายผ้าสำเร็จรูปก็ได้ทรับอยู่ที่ว่าวัดที่เขารับเนี่ยเขาจะวัดเขาจะเขาจะรับผ้าแบบไหนถ้าไปสายวัดป่าสัญญ า, าท่านจะรับผ้าขาวท่านจะตัดเย็บจีวรของท่านเองสร้างยอมจีวรของท่านเองแต่ถ้าพ้าวัดนี่ผ้าผ้าที่อยู่ตามว้านตามเมืองนี่เขาก็จะรับผ้าที่สำเร็จรูปแล้วเป็นหลักเพราะเขาตัดเย็บผ้าไม่เป็นหมดแล้วใช่ไหม มัญหาหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีเลยก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนกมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด